คนแรกสวยนะไปที่ไหนกันบ้างครูพ่อวันนี้เรื่องจัดการความกลัวใช่ไหมทำไมใช้คำว่าจัดการอัน่าสนใจทำไมไม่ <c oughs> ไม่ใช้คำ ว, ว่ากลับจัดฮะ ไม่ใช่ว่าำกำจัดความกลัวนะไม่ใช่ว่าจัดกา ร, นะ เ, พราเพราะว่าความกลัวมันก็มีประโยชน์และความกลัวก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> อาจจะจัดการอาจจะกาจัดให้หมดไลยยาก เช่นเดียวกับว่าจัดการความขัดแ ย, งย้งเหล่านี้เนี่ยก็ะจะไม่ค่อยใช้คําว่าแาก้ไขหรือกําจัดความขัดแยงแ้งนะไดใช้ว่าจัดการหรือบางแห่งก็ใช้คว่า transform ก็คือการเปลี่ยนความขัดแยง้งเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันไม่นสิ่งที่เราเหนีไม่พนกําจัดให้มันไปไม่ได้และความขัดแย้งก็มีประโยชน์ด้วยเหมือนกัน ผมไม่ได้าวเลครัว่าขยันนะเดี๋ยวนี้เราไปที่ถึงเรื่องการกำจัดขยันนะแต่ที่จริงเราลองเปลี่ยนมาเป็นการจัดการขยนนะันนะมันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าที่บอกแล้วว่าความกลัวมันมีประโยชน์ที่ถ้าถามถามใหม่ว่า ทำไมคนเราต้องมีความกลัวด้วยทำไมคนเราต้องมีความกลัวคือการที่มนุษย์เราเนี่ยซึ่งเกิดมาปรากฏอยู่ในโลกที่พบนี่อนะ่ถ้าตั้งแต่สมัยเป็นเป็นพวกยังไม่แยกแยกสายกับพวกเทปนะก็ประมาณ2ล้านปีแล้ว สฉพาะมนมุษย์ที่เป็นโฮโมนสัเปลียนงาสองสนปีเรื่อจะถอยหลังไปสามสี่แสนปีก็ได้แล้วแต่เพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีหลักฐานทางโบราณะดูเพิ่มมาเรื่อยๆ <c oughs> การที่เอาว่าโฮโมนสัเปี่ยนเนี่ยนะสองแสนสามแสนปีเนี่ยมาจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วมันมีความกลัวติดมาด้วยเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีประโยชน์นะอันนี้พูดตามหลัก ว, วิทยาวิวัฒนาการมัมีความมันมีสมมติฐานว่าอะไรที่มันที่มันตกท่มอมานปนปัจจุบันเนี่ยโดยแล้วแต่มีประโยชน์เพราะไม่งั้นเนี่ยธรรมชาติก็จะคัดสมาสมออกไปสามเหลโยมดวงดาวิทในชั้น selection หรือแม่ก็จะผลดหายไปเรื่อยๆอย่างเช่นไส้ติง่มมมงนะมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็ให้ยผลค่อยหายหรืองหางเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้แล้วเราก็เลยหางก็เลยค่อยๆปลนะ แต่บางคนก็ยังมีหางอยู่นะิดเดียว น, นะคกลิ่นนะีที่สมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยคงจะดมกลิ่นได้เก่งมากแต่เนื่องจากเราใช้การดมกลิ่นน้อยลงไปเรื่อยๆทุกวันนี้เราก็เลยมีประสาทรับรู้ในเรื่องกลิ่นเนี่ยด้อยมากนะฮะสู้หมาไม่ได้เลยหมาที่สามารถจะดมกลิ่นได้ดีกว่าเราเนี่ยเป็นพันเท่านะ เพราะว่าการดมกลิ่นยังยงเป็นประโยชน์ต่อม้าอยู่แต่การดมกลินไม่มีปรือยต่อเราเท่าไหรมากเท่ากับสายตามนุษย์เราเนี่ยใช้สายตาเนี่ยซับซ้อนร ะ, ระบบประสาทเราเพื่อเพื่อรับภาพเพื่อแปลเป็นภาพเนี่ยซับซ้อนมากนีมันได้อยาบสีอย่างนะกลิ่นของเรารับรู้ได้น้อยลงแต่ว่าตาเราเองมันทํางานได้ซับซ้อนมากกว่า มากกวาสัหลชนิดนะรวมทั้งหมาด้วยนะหมาตาขอางมันก็สู้เราไม่ได้แต่ที่มันชนะเราได้ในบางครั้งเรา็มันตรงลิดได้ดีกว่าเนะความกลัวก็เหมือนกันนะความกลัวเนี่ยที่มันตกทอมาถึงเราทุกวันนี้ได้แซวมันต้องมีประโยชน์มันมีประโยชน์ยัยงไงบ้างนะประโยชน์ที่ไหนมาสำคัญคือมันช่วยทำให้เรา อยู่รอดปลอดภัยนะจากอันตรายความกลัวเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะหนีหรือว่าถอยห่างสิ่งที่เป็นอันตรายได้แล้วสิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยที่มนุษย์เรารเผชิญเนี่ยในอดีตเนี่ยมันล้วแล้แต่กระทบต่อความอยู่รอดก็คือว่าถ้า ถ้าหนีมันไม่ได้ก็ตายนะให้ความกลัวทำให้เราเนี่ยสามารถจะเอาตัวรอดจากภัยอันต ร, รายแล้วก็สามารถจะดารงชีวิตสืบทอดเผ่าพันธุ์มาจนทุกวันนี้ได้อะไรที่เป็นภัยต่อความอยู่รอดของมนุษย์นะตั้งแต่โบราณ น, นะจนกระทั่งถึงเมื่อไม่ช้านะ้ไม่นานเนี่ยนะก็อาจจะได้แก่พวกสิงสารสัตว์สัตว์ร้ า, ร า, รายพวกชา้างเสือ กูพิษนะแล้กระทั่งอาหารหรือว่าผลไม้ที่เป็นพิษเนี่ยนะอันนี้เราเมืองไยธรรมชาติด้วยมนุษย์เราเนี่ยนะมันจะมีกลไกที่ทำให้ไวต่อไอ้พายพวกที่เป็นพิเศษความไวที่จะถึงขั้นแค่ระแว้มีอะไรมีมีอะไรมีอะไรขยับอยู่ในหลังกู้มไม้เนี่ย นะเราวาดเลยนะเราจะวาดทุกนาทีเพราะเราสงสัยว่ามันมีสัตว์ร้ายรึเปล่าใช่ไอันนี้ก็เป็ น, นกลไกความกลัวพอเราวาดหรือเราเระแวงนี่นะเราก็จ ะ, จะค่อยๆถอยห่างม่นอาจจะเป็นเสียงลมพัดมัอาจจะเกิดจากลมพัดก็ได้แต่ถ้าพูดถึงความคุ้มแล้วเนี่ยนะระหว่าง หลบระหว่างหลบเพราะนึกว่ามันเป็นมันเป็นสัตว์ที่ซ่อนอยู่ในปุ้มไม้นะหรือไม่หลบเพราะคิดว่ามันเป็นแค่ใบไม้ไหวเพราะแรงลงอะไรที่ทำให้คนเรานี่อยู่รอดได้มา ก, กันนะความกลัวนะถ้าไม่กลัวเนี่ย อันตรายนะเพราะไปประมาณว่ามันเป็นแค่เสียงลมพัดเนี่ยนะถ้าเกิดไม่ใช่อ่ะตายแต่ถ้าเกิดว่าไปคิดว่ามันเป็นเสียงลมพัดนะแต่ถ้าคิดแต่ถ้าคิดว่ามันมันเป็นแค่ลมพัดถ้าถ้าท่า ถ้ามันเป็นแค่ลมพัดแต่คิดว่ามันเป็นเสืออย่างนี้ผลเสียไม่มากเท่าไหร่ใช่ั้ยไม่ตายนะเสียงใบไม้เนี่ยลมลมมันพัดใบไม้ไหวนะแต่เราแค่เป็นเสือเรากลัวผลเสียไม่ไม่มากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเสือเป็นเสือจริงนะมันหลังภูุมไม้แล้วเราคิดว่ามันเป็นลมพัดเนี่ย ไอ้เนี้ยมีสิตายและธรรมชาติเนี้ยเลือกให้เรากลัวกลัวเกินเหตุไว้ก่อนมากกว่าจะประมาทนะและเนี่ยคือทําให้เรารอดมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นธรรมชาติคนเราเนี้ยนะมันจะมีความระแวงมันจะมีความกลัวไว้ก่อนนะมันจะเวอรไว้ก่อนเพราะว่าไอ้ความเวอรไว้ก่อนนี่แหละที่ทำให้อุย่าตายายเรารอดตายมาได้ในทุกวันเนี้ใช่ไหมมากกว่าที่จะ ประมาทหรือว่าไม่สะทกสะทานนะหรือว่าไม่ไม่เซนซิทีทนะให้ความกลัวเนี่ยนะมันทําให้เราเนี่ยอยู่รอบปลอดภัยมาจนทุกวันนี้ได้จนถึงเราแต่ปัญหาคือว่าไอ้ความกลัวของค น, นยุคนี้เนี่ยมันไม่เหมือนความกลัวของคนยุ ก, ก่อนสิ่งที่คนุูกยุคนี้กลัวกับสิ่งที่คนยุ ก, ก่อนอกลัวเนี่ยตา่างกันมาก คือที่คนยุก่อนกลัวเนี่ยนะมันรู้แล้วแต่เป็นไครต่อความอยู่รอดของชีวิตใช่ไกลัวสัตว์ร้ายกลัวช้างกลัวหมีกลัวภัยธรรมชาติแต่คนสมัยนี้กลัวอะไรกลัวไปสายกลัวเพื่อนไปกดไลค์กลัวแต่กลัวไม่สวยนะกลัวเป็นสิวเนี่ยไอ้กลัวบนี้มันไม่ได้มีผลต่อความอยู่รอดของมนุษย์เลย ใช่ไหมแต่นี่คือสิ่งที่เรากลัวกันมากขึ้นนะความกลัวของคนรุ่นนี้เนี่ยนะมันกลัวในสิ่งซึ่งไม่เหมือนของยุค ก, ก่อนเนื่องจากคนสมัยก่อนเนี่ยนะมันกลัวสิ่งที่เป็นภัยต่อความอยู่รอดของมนุษย์เพราะฉะนั้น r e s ปอนส n เนี่ยมีสองอย่างคืออะไรสู้กับหนีใช่ไหม สู้กับหนีคือหนีไปก่อนถ้าหนีไม่ได้กูสู้หิบตาหมาจดจรอเห็นไหมนี่คือレスปอนใช้รับมือกับสิ่งที่เรากลัวแต่กลัวกลัวเพื่อไม่กดไลค์ไงนะ <c oughs> กลัวไปสายไ ง, ไงนะ <c oughs> กลัวไม่สวยไงนะจะใช้レスปอนสองตัวนี้ได้ไหมสู้กับหนีสู้ไม่ได้และอย่างนี้คือไอความกลัวสมัยก่อนเนี่ยนะพอ น, นี้ไปสักพักมันก็ปลอดภัยแล้ว นะแต่กลัวไม่สวยเนี่ยนะกลัวเพื่อนไม่ชมกลัวงานลุมเหลวนะมันติดตัวเราไปทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมนอนก็นอนไม่หลับนะตรงนี้เป็นปัญหาคือเราเริ่มจะมีความหนึ่งความกลัวของเราเนี่ยนะมันเป็นความกลัวที่ร่างกายเราไม่ได้ถูกดีไซนะ์มาเพื่อตอบสนองมันอย่างคืประสิทธิภาพและ2มันเป็นความกลัวมันเป็นความเรากลัวในสิ่งซึ่ง มันสามารถจะตามติดเราไปตลอดเวลาหนีเท่าไหร่ก็ดนีห้่พ้นจากใจที่ยังคิดถึงมันอยู่และนี่แหละคือทำให้คนสมัยนี้เนี่ยนะมีปัญหาเรื่องความกลัวรวมไปถึงความวิตกกังวลมากคือมันมันยืดเยืะอเรื้อรังนะคนสมัยก่อนเนี่ยพอพอหนีขึ้นต้นม้สบายใจและกปลอดภัยแล้วแต่คนสมัยนี้ที่อยู่ตึกหรือว่าจะไปไปอยู่บ้าน หรือว่าไปเที่ยวห้างถ้าคิดถึงว่าที่ถึงปัญหาที่เรากลัวมันก็ยังก็ต้องเกิดความทุกข์นะลองคิดดูทุกวันที่เรากลัวอะไรสิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความอยู่รอดของชีวิตเลยคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องไปเรื่องตายในทางกายภาพแต่เพราะเราเกี่ยวข้อมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องตาย ในที่สุดได้เช่นล้มละลายเนี่ยล้มละลายล้มละลายมีขา้าราชการาคนหนึ่งเนี่ยระดับสูงเลยแกทําธุรกิจอะไรด้วยแล้วแกล้มละลายแกเป็นหนี้มากแกจะถูกยึดบ้านแกถูกยึดรถบ้านที่แกอยู่สบายมีนาบริเวณเนี่ยแกต้องย้ายไปอยู่ตึกแถวไม่มีรถใช้แกต้องขีม่มอเตอร์ไซค์หรือแม้ก็ะั่งรถเมล์ขา้าราชการ49เนี่ย จะเครียดมากนะจากที่อยู่แบบสบายนีย่มีเกีดยรดติยศมีหน้ามีตาลงมาเนี้ยจะยอมหรือแกไม่ยอมแกทำไงฮะข่าตัวตายนะแกะกลัวกลัวที่จะมีชีวิตแบบแบบต่งเตี้ได้ดินงถามว่าความกลัวแบบนี้เนี่ยมันเป็นความอยู่หลวมขับชีวิตไห มาตัดเตีเ้เลดินมาอยู่ห้องแถวมันก็ไม่ตายอ่ะใช่ไก็ยังยังกินอิงน้อนอุ่นแต่แกกลัวไงแกกลัวที่จะมาใช้ชีวิตเหมือนคนสามัญจากค่าใช้่ายจากการที่ใครเขาเคารพกรบาบไหว้นะกลัวแยังไม่ทันไปเลยนะยังไม่ทันจะถูกย่ดบ้านรือไม่ถูกถึกดรถนะแต่ว่ามันใก ล, ล้ละ แกยังไม่รู้เลยว่าพอเอาความจริงเนี่ยแกจะอยู่ได้ก็ได้จะมีความสุขก็ได้แต่กลัวเนี่ยกลัวแกก็ค่าตัวตายนะอันนี้คือปัญหานคนยุคนี้คือความกลัวคนยุคนี้เนี่ยมันจะว่าไปแล้วเนี่ยมันน่ากลัวความกลัวคนสมัยก่อนเพราะหนึ่งความกลัวคนสมัยก่อนเนี่ยมัาถึงสมัยที่เรายังยังยังอยู่ป่าเนี่ยอยู่ถ้ำเนี่ยนะมันเป็นความกลัวที่สามารถที่จะหนีพ้นได้ มันมีช่วงเวลาที่จะปลอดภัยจากความกลัวถ้าวิ่งหนีขึ้นต้นไม้เออปลอดภัยแล้วนะนะสองร่างกายเราถูกดีไซน์มาเพื่อที่จะรับมือกความกลัวแบบโดยตรงก็คื อ, คอไม่สู้ก็นหนีนะถ้าหนีได้ปลอดภัยจบแต่ความปัจจุบันเนี่ยท่าที่มนุษย์เราฉลาดขึ้นมีเทคโนโลยีมากขึ้นนะ แต่ความกลัวที่และความกลัวที่มันเกิดขึ้นนั้นมันแสนจะเล็กน้อยมากนะมันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องตายแต่ว่ามันมันหนียากจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ตามไปเพราะมันเป็นความกลัวที่อยู่ในหัวไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่นับอยู่ในป่าไม่ใช่งอยู่ในถ้าไม่อยู่ในหัวนะคิดเมื่ อ, อไหร่ก็นอนไม่หลับเมื่อนั้นอะ่ะและสองร่างกายเรา ไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อการนี้เพื่อรับมือความกลัวชนิดนี้และมีน้าซ้ําพอใช้ปฏิกิริยาสู้และหนีไม่ได้เนี่นะแต่ว่าหอมบมัมันขึ้นเนี่ยหัวใจมันเต้นเร็วน่กรามนู้นมันเกร็งทำงี้บ่อยๆเข้าแต่เราไม่ได้ใช้พลังงานออกไปเนี่ยมันเกิอดอะไรขึ้นนะความดันโรคหัวใจนะคือไอ ปัจจัยเนในร่างกายของเราเนี่ยซึ่งมาถูกใช้เพื่อรับมือนปัญหาความกลัวเดิมๆ เ, เนี่ยพอมันเอามาใช้กับความกลัวแบบมไม่ได้เนี่ยแทนที่จะเป็นคุณน่กลับเป็นโทษเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้เราก็พบว่าคนที่มีปัญหาเรื่องวิตกกังวลกลัวเรื่องรางพวกนี้ยมีปัญหาสุขภาพกายด้วยนะป่วยโน่นป่วยนี่นะเยอะมาก ในอังกฤษเนี่ยเพบว่าคนไข้ที่ป่วยและไปหาหมอเนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยนะเอาเฉพาะที่ไปหาหมอนะหนึ่งในสามเนี่ยมีอาการทางกายก็จริงแต่หาสาเหตุทางกายไม่พบอาการทางกายไม่ใช่แค่ปวดปวดตัวร้อนนะบางทีตาบอดบางทีชักบางทีอัมพาต หรือปวดเลือหลังปวดท้องปวดหัวแต่หาสาเหตุทางการไม่พบเพราะอะไรเพราะสาเหตุอยู่ที่ใจและส่วนใหญ่ก็คือเรื่องความวิตกกังวลซึ่งเป็นเป็นปรพ้กเดียวความกลัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ความกลัวมันก็เลยมันก็เลยเป็นโทษมาก จากเดิมที่มันเคยมีประโยชน์ในการที่จะพาเราเนี่ยหนีอันตรายแล้วก็ออกรูปออกหลานแพ่ย์ทาปจัจจุบันอย่างนี้มันทําให้คนเนี่ยป่วยนะเรื้อรังแล้วก็อาจถึงขั้นฆ่าตัวตายเพราะความไม่ตกตวลแต่ถามว่าความวกลัวจริงมีประโยชน์ไหมยังมีประโยชน์อยู่ถ้าเราใช้มันเป็นแต่พอเราไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อใช้มันนะเพราะเราปล่อยชีวิตไปตาม สังชาติยาสังชาติยาก็คือสู้กับหนีถ้าสู้แล้วหนีไม่ได้นะมันก็พลังที่ออกมาจากเรสปอนส์นี้มันก็กลับมาทำร้ายตัวเราเองมันก็เลยแย่คราวนี้เนี่ยอปัญหาความกลัวทุกวันนี้เนี่ยนะ อาตมาอย่าสรุง่ายๆนะความกลัวของคุณเราทุกวันนี้เนี่ยมันน่ากลัวกับสิ่งที่เรากลัวอีกเข้าใจไหมเอาง่ายกลัวกลัวกลัวตายเนี่ยนะความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายใช่กลัวเป็นมะเร็งเนี่ยนะมะเร็งก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวมนเร็ง คนที่กลัวตายเนี่ยไอยคนที่เขารู้ว่าจะตายเนี่ยนะแต่เ้าไม่กลัวเขายอมรับได้เนี่ยเขาสงบมากเลยนะไอเมื่อวานนี่นนตะมา เ, าเราอ่ะเรื่องเพื่อนทีวายน้ำที่ระยองอ่ะไปรับเล่าขใครนะอะอไม่รูวแล้วไม่รู้เลยพูดกับวงไหนบ้าง เพ่งรู้จักจำได้เพิ่งพูดหยงๆนะอ๋อใช่พื่กลุ่มพวกกลุ่มเมื่อวานที่มาปูกต้นไม้คือคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยความกลัวตายเนี่ยไอย้ความตายมันน่ากลัวมากแต่หลายคนพบว่าพอไม่กลัวตายนะความตายเนี่ยไม่มีอะไรเลยสงบเพื่อจะมาไปไว่า้น้ําทีิรยองแล้วก็มามีมันมี มันมีมมีด้านหนึ่งของระยองของชายหาดเนี่ยที่เวลาคลื่นมันซัดเข้าฝั่งเนี่ยมันจะตีกับมันตีกัน้ำการเป็นกระแสน้ำนะเป็นกระแสน้ําเป็นคลื่นใต้น้ําและแรงมากเพื่อจะมาไปไหว้ไปอยู่ในกระแสน้ําตรงนั้นไว้ไปแล้วมาเฮ้ยทำไมลอยคอไปอยู่ไปอยู่กลางทะเลนะตกใจ เพื่อนที่เห็นเหตุการณ์พยายามว่ายไปช่วยช่วยไม่ได้เพราะว่าน้ำเนี่ยมันตีออกไปแรงมาก เ, เพื่อนตมาเนี่ยนะชื่อปูอตกใจแกก็พยายามว่ายน้ํำไปเข้าฝัง่งแต่ว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยเขาถูกน้ําซ่าไป อ, อ่อนหักไเรื่องก็ต้องว่ายเข้าฝัง่งดิว่ายเท่าไหร่ก็ว่ายไม่ไปน้ํามันแรงมากแต่ว่ายจ น, นแม่งแกใกล้จะหมดแรงนะแกบอกให้ตายแน่แนะเขาเชื่อตายแน่หรอตายก็ตายวะ แกเลิกเลยนะเลิกเลิก ต, เกตะเกียตะกายเลยนะแล้วก็ยอมลอยคอแกว่าตอนนั้นใจแกสงบนิ่งมงกากเลยจะตายแล้วนะใจสงบนิ่งมากเลยเพรแกพร้อมแล้วสักพักแกรู้สึกมีคลื่นมาตีแกมาซัดแกแกเหลือด้วขึ้งคลื่นแกขึ้นมาซัดขมับฝังแล้วแปลว่าแกหลุด อ, ออกจากกระแสน้าแล้วไม่ลุกหรือมาได้ไงนะเพื่อนที่เห็นเหตุหการณ์ ก็เลยไหวยน้ำมาหาแกมาช่วยแกก็มารู้ในตอนใ น, ในเวลาต่อมาว่าคนตายเพราะเพราะไอกระแสน้ําเนี่ยเยอะอะแล้วลที่ตายเพราะอะไรก็ไหว้เขาเพยียามไหว้ทวนพยายามไหว้เขาหาฝั่งทวนกระแสน้ําไ่า้จนหมดแรงตายคนเหล่านี้เนี่ยไม่ยอมตายกลัวตายก็เลยต้องว่า้และยิ่งว่า้ก็ยิ่งหมดแรงแล้วตายแต่ปูนี่นะเขาบอกเพร้อมตายแล้ว พขก็เลยยอมบอกว่ารอดตายแต่สิ่งที่เขาประหลาดใจคือว่าตอนนั้นมันสงบมากเลยมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าความตายเนี่ยไม่น่ากลัวถ้าความกลัวตายนะบางคนเนี่ยนะแค่รู้ว่าเป็นมะ เ, เร็งระยะที่สองระยะที่หนึ่งเนี่ ย, ยโหนกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับน ะ, ะบอกว่าเร่งตายให้เร็วเข้าคุณป้าคนนึงแกไปหาหมอ หมอแถวเนี่ยโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเ ข, ข้าเข้าออกอยู่หลายครัง้งไม่รู้เป็นอะไรจนถ้าวันนึงหมอก็บอกป้าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนแกพูดตรงมากเลยพูดตหมดแม็กเลยนะโคตรดเดียวเลยต้าตกใจนะผมแกไม่ทันตั้งตัวแกกลับไปบ้านแกก็ซึม ไม่มีเรื่องไม่มีแรงไม่มีชี้ชีวาหมดอะไรแต่อย่างชีวิตกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ได้สิบสองวันแกก็กตายนะถามว่าสิบสองวันนี้มันเล็งมันลามไปถึงสมองแกไปถึงอว่างต่างในร่างกายอะไรหรอมันเล็งยังไม่ลามไว้แต่ก็ตายแล้วเพราะอะไรเพราะความกลัวกพรความวิตกความกลัวเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าความความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลั ว, วาตาย ความล้มเหลวไม่น่ากลัวเท่าความกลัวล้มเหลวสิวไม่น่ากลัวเท่าความกลัวสิว <c oughs> ใช่ไหมกินไม่ได้เอาไม่หลับพอกลัวสิวเป็นไงหรือกลัวอ้วดเป็นไงหลายคนเนี่ยนะก็ไปหาย า, ยามาบงคนตายเพราะยาลดความอ้วนแล้วบางคนเนี่ยกลัวอ้วนขดท่ะรียกว่าลดความอ้วนได้วิธีไหนรู้ไหม กินพยาดิบไข่พยามีขายทางออนไลน์ในอเมริกานะมีคนที่ลดความพูดด้วยการกินไข่ยพยานะกลายเป็นว่าพยาเนี่นะมันมันน่ากลัวยิ่งกว่าอันตรายจากพยาเนี่ยมันมันมันน่ามันเลวร้วายยิ่งกว่าไอ้ความพูดอสิแล้วยิงแกล้งไปไอ้พวกคนเท่าไหร่เลยใช่ไหมแต่ไปไปไป ไปเชื่อคนอื่นแล้วก็เชื่อเราอ้วนมากเนี่ยนึกว่าความความอ้วนไม่น่ากลัวทั้งความกลัวอ้วนเพราะว่าความอ้วนเนี่ยนะบางทีไม่ทําให้ตายเลยหรอกนะแต่ความกลัวอ้วนเนี่ยอาจทำให้ตา ย, ยาได้นะบางทีก็กลัวหนักมากเช่นเข็มนะมันกลัวเข็มอันนี้มันชัดอยู่แล้วมนะัเข็มไม่น่ากลัวทั้ความกลัวเข็ม <c oughs> เห็นเข็มเนี่ยโอ้โหหายใจไม่ออกเลยนะ มีนะอันนั้ น, ะ น, นมันเอ็กตรีตัวอย่างเอ็กตรีตแต่ตัวอย่างที่ตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั่วไปลองดูนะเวลาเรากลัวอะไรเนะี่ยสิ่งที่เรากลัวเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวกลัวตุกแกน่นะตุ๊กแกมันน่ากลัวกนะ่ะฮะตุกแกไม่น่ากลัวแต่ความกลัวตุกแกที่ผมมันทําให้กินไม่ได้นอนอนอไม่หลับเนื้อกระสับกระส่ายนะเรียนอะไรไม่รู้เรื่องอะไตอนเช้านะนะอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ อันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ค่อยตาหนังนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่กลัวเนี่ยนะมันไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวอันนี้เราเห็นความเกลียดและความโกรธนะพูดคลุมไปเลยความเกลียดความโกรธเนี่ยสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยบางทีมันไม่น่ากลัวเท่ากับความเกลียดตัวง่ายๆนะลิงเนี่ยนะลิงเนี่อล ร, รู้ใช่ไหมมันไม่ชอบกระปีอะเ้าเกิดไปแกล้งมันเอากร ะ, ะปรียัด ใส้ข้าเหนียวเนี่ยนะโยนให้มันเนี่ยนะมันกินข้อวเหนียวพอมือมันเปื้อนกระป๋อนะมันทําไงมันเกลียดมากมันก็มันถูถูตามตามหินตามเปลือกไม้มันถูถูถูจนทั่งถลอกเลือดไหลถ้ามันยังดมกลินไม่ยังไม่ยังไม่เม็ดยังยังมีอยู่นะมันก็จะถูไปเรื่อยๆถูจนแผลเบลอว่ะเลือดเนี่ยไหลเยอะๆเลยคําถามคือว่าอะไรทําให้ ลิ้เลือดไหลอะไรทําให้ลิ้มีแผลก็ะปีเหรอไม่ใช่กรปีไม่ทําให้ลิ้เลือดไหลความเกลี่ยกระปีกรปีมันไม่ทำให้ลิ้เลือดไหลหรอกนะถูกตัวมันมันจะเลือดไหลได้ยังไงแต่เพราะความเกียกระปีเนี่ยมันก็ทําให้ลิ้นเนี่ยถูถูกกรปีอยูข้างนอกแต่ความเกี่ยกระปีอยู่ในใจนะกรปีไม่น่ากลัวถ้าความเกลี่ยกรบปีนะ ความกลัวก็เหมือนกันไอ้ is, ความกลัวก็เหมือนกันนะลองไปที่เจราณาวดีๆดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวกว่าไม่ใช่สิ่งอยู่ข้างนอกไม่ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราัวเกลีลยดโกรธแต่มันคือความเกลียดความโกรธความกลัวในใจเราคนไม่ค่อยตันหนัก <im itation> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไปจัดการกับสิ่งข้างนอกแต่ว่าไอ้สิ่งข้างในไม่ได้ทําอะไรเลย <im itation> และสิ่งข้างในนี่แหละที่มันทําให้เรา อาจจะแย่ลงได้ยวว อ, ยอย่างที่ธรรมตัวอย่างเนี่ยกลัวกลัวจะมีชีวิตแบบตันเตี้ยเล็กดินทนไม่หวกินไม่ได้นอนไม่หลับฆ่าตัว ต, วตายแต่ถ้าลองไปมีชีวิตแบบนั้นดูเนี่ยดู้สึกว่าดีฮะหลายคนเนะหลายคนพอ เ, เจอวิกฤตเศรษฐกิจแล้ชีวิตย่ำแย่ลงนะธรรมชาติชีวิตมันเปลี่ยนไปแต่พอกลับมาใช้ชีวิตแบบนั้นบอกว่าเฮ้ยมันก็อยู่ได้นะสบายด้วย ถึงแม้จะไม่มีว่าเป็นราคาแพงหรือแม้จะไม่มีบ้านที่มีนาบริเวณแต่ก็อยู่แล้วก็มีความสุขอาจจะเคยคิดฆ่าตัวตายถ้าจะต้องไปอยู่แบบนั้นแต่พออยู่จริงก็มัสบายแต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือไม่ใช่ชีวิตแบบนั้นแต่คือความกลัวชีวิตแบบนั้นหลายคน่าตัวตายาคนโดดตึก หลายคนคร์รนะัปชันนะกลัวติดคุกนะเสร็จเมื่อเร็วๆนี้ผู้บริหารบริษัทลัตเต้ของเกาหลีเนี่ยโดดตึกตายเอ้ยไม่โดดจากแข้งคอตายเพราะว่าโ ด, ดนโครงการคอร์รัปชันมีสิทธิ์ติดคุกนะจะกลัวอย่าว่าติดคุกเนี่ยนชะีวิตมันโหมันกลายเป็นชีวมันเปลี่ยนไปเลยหนะน้ามือ เ, เป็นหลังเท้า แกกลัวมากแต่ก็เลยฆ่าตัวตายแต่หลายคนเนี่ยพอเข้าคูกแล้วมันดีขึ้นนะชืวนดีขึ้นะนะนะหมอวิสุทธิเป็นคนหนึ่งนะเข้าคุกแล้วเนี่ยเออชีิตเปลี่ยนหลว่าประสิทธาวโรเนี่ยแกแกคือตอเป็ น, เ ป, นเป็นคารบบาวานเป็นาเมียนะฆ<ม>่าเมีเ ย, นน ย, นยมในคุกไปสิบสองปีพรากว่าชีวิตเปลี่ยนในคุกนะพบธรรมะในคุกออกมานี่ยแกแกบวชเลยแล้วก็คนก็แก คนเนี่ยลูกศิลป์นิยเชื่อว่าเป็นพระอระหันต์นะเปลี่ยนในคุกที่เปลี่ยนในคุกนะไปข้ามเมียนะแล้วก็เพราะเราแวงว่าเมียมีชู้หรืออะไรไนมะ่แล้วก็พอไปติดคุกหลายคนจะกลัวคุก ม, มากเลยกลัวไม่ยอมเปลี่ยนคุกลัว ม, มากข้าวตัวตายดีกว่าแต่หารู้ไหมว่าพอติดคุกแล้วเนี่ยคิด ม, มันก็ไม่ได้แย่อย่างที่เคยเลยแต่ว่ากลัวเนี่ยปรุมแต่ง หลายคนไปได้อีได้ดดยืนในคุกนะจริงใช่ไหมออกจากคุกมาแล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่ <c oughs> แมนเด ล, ลาเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าการที่เขาอยู่ในคุกนี่นะมันทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเขาทำให้เขาสงบเย็นสงบขึ้นเย็นขึ้นทำให้เขาเนี่ยทําให้เขารู้วิธีการประสานประโยชน์แมนเด ล, ลาเน่เขาไม่เขาาไม่ติดคุกนี่นะเขาคงจะเป็นลัทธิบุรุษไม่ได้เพราะว่าพอเขาอาจากคุกแล้วเนี่ยเอาเติดคุกยีสิบเจ็ดปี ออกมาเนี่ยใจเย็นใจเย็นแล้วก็แยแยพยายามที่จะหาทางเจรจาไก่เกี่ยวคนขาวจะรู้จะอยู่นกูุ่แกรู้นิสัยคนขาวมาเพราะคนขาวเนี่ยมันกลัวมันกลัวคนดาแะรู้วิธีที่พูดกับภาษาของคนขาวจะไปแกศึกษาวิธีการเล่นล็อบบีเพราะรู้ว่คนขาวเขาชอบเล่นลัอบบี คนตามชอบเล่นฟุตบอลแกพูดภาษาคนขาวได้พูดคุยกับคนขาวเรื่องรักบี้คุยกันเป็นเพเ่็นคลาย เ, เลยพอคุยเรื่องรักบี้นะกลายเป็นเพื่อนนะกันเลยนะแล้วแกเนี่ยในคู่นั้นมัเปลี่ยนแกแ ก, แกยอมรับยว่ากลายในคุ่เนี่ยยี่สบกปียี่สบเจ็ดปีมเปลี่ยนแกทให้ทำให้แกสามารถที่จะมานำอเริกาใต้ แล้วก็ริเรียนสงครามกลางเมืองซึ่งตอนนั้นเนี่ยริอเมริกาใต้เสียวมากเลยจะต้องนองเลือดนะเพราะว่าก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยโหเปนข้างในเลือกเทเลยเลือดวันช่วงเลือกตั้งอย่างข้างนเลยนะแต่ว่าแมนเนล่าก็พยายามที่จะพูดกับคนขาวคนดําเนี่ยให้เป็นให้ให้ประสานให้สานามาัคคีกันใจเยนแลว้วก็สุดท้ายสงครามกลางเมืองเนีย่ยอเม็กกาใต้ก็ก็ไม่เกิดขึ้นที่เขายกย่องแมนเนล่าเป็นรัฐบุรุษเนี่ย ส่วนนึ่ก็ต้องขอบคุณนะการที่เขาเก็บคุกอันนี้เป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วคุกเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่าความกลัวคุกนะไอ้เวลาเรากลัวอะไรก็ตามเนี่ยให้เราลึกนะว่าไอ้สิ่งที่เรากลัวจริงๆมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่ากับความกลัวไอ้สิ่งที่เราคนทำอะไรเมื่อเราเกิดความกลัวพยายามที่จะนะพยายามที่จะถ้าเราเห็นว่าความกลัวคุกศัพท์พยายามที่จะลายความกลัว วิทยาศาสความกลัวทําอย่างไรนะครับพรเจ้าบอกว่ากลัวอะไรเนี่ยให้ไปหาสิ่งนั้นกลัวอิเลี่ยนปวดใให้อยู่ในอิเลี่ยนปดนั้นพระเจ้าพูดอย่างนี้เพราะว่าพระองค์มีประสบการณ์ในตัวเองตอนเป็นตอนหอกลวี่พระเจ้ากลัวนะขนาดขนาดไปทรมานตนเนี่ยเราเชื่เราสร้างเนี่ยไปทรมานตนอยู่หลายปี เล่เราื่องเราคือเกือบ6ปีพุณเจา้าเนี่ยตอนเป็นนักบวชเนี่ยกลัวความมืดกลัวป่าท่านบอกว่าคองมีเสียงลูกยุงร้องเนี่ยกลนคืนนะลูกยุง ม, ม, มันร้องเนี่ยเสียวเลย <c oughs> หลายคนเนี่ยไม่มีอาการแบบนั้นแต่ผุ้เจ้านี่เคยเป็นแต่สิ่งที่พระองค์ทคือว่าพยายามที่จะไม่ได้กดข่มความกลัวนะแต่ว่า ไม่ยอมให้ความกลัวมาครอบงำท่านก็ใช้ไม่สลายความกลัวด้วยการเข้าไปหาสิ่งที่ตัวเองกลัวนะและทีละน้อยๆนอยนอยเนี่ยก็จะพบว่าความมึกไม่มีอะไรน่ากลัวเลยป่าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะพอรู้ความจริงแล้วเนี่ยความกลัวมันหายผู้งนี่ก็ได้ว่า ความกลัวมันหายได้เพราะมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกลัวว่ามันไม่น่ากลัวมันมีมันมีผู้หคนหนึ่งนะชื่อบาริมูรี่พวกเราก็รู้จักนะผู้ที่เรีิทยศาสตรเนี่ยการพูดไว้ดีนะักเลยว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทําความเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็หายกลัวทำไมหายกลัวเพราะที่กลัวเนี่ยเนื่องจากไม่รู้เรากลัวเพราะเราไม่รู้ พอเรารู้พอเราเข้าใจเราก็หายกลัวและจะรู้จะเข้าใจได้ยังไงไม่ใช่คิดเอาแต่ต้องไปเจ อ, เอนะคิดเอาไม่ช่วยไม่หายกลัวนะพวกเราเนี่ยรู้ดีเหมือนกความกลัวคิดเอาอยัางไงก็ไม่หายกลรนหรอกในความกลัวเนี่ยคิดเอายังไงก็หายกลัวต้องไปเจอและพอเห็นว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะไอ้ความกลัวก็น้อยล ง, งนะนี่เป็นนี่เป็นวิธีการเบสิคเลย มีบางคนนะอันนี้เป็นคนดนอกเนี่ยแกเป็นคนที่กลัวทําอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเ้ากลัวทาอะไรที่มันโดดเด่นผิดผูไม่ไม่เหมือนคนอื่นเ้าเนี่ยแกต้องพยายามทำตัวให้กลมกลืนผู้คนแล้วแกมีความทุกข์มากอันนี้คงเป็นเพศหนุ่มนะต้องทําตัวใหกลมกลืนเวลาจะสั่งจะจะกินอาหารอะไรเนี่ยแล้ว แ, ลแต่เพื่อนเพื่อนกินอะไรก็รู้กินตามไม่เคยที่บอกว่าอยากกินแบบนี้กลัวว่าจะไม่เหมือนคนอื่นเขา นะนี่ผู้ชายนะจะเกลทุกมากเลยนะจะทําอะไรจะแต่งตัวอะไรทำจะแต่งตัวจะกิ น, นอะไรอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่กล้าที่จะทําอะไรเหมือนแตกต่างสิแล้กระทั่ อ, ออกความเห็นก็ไม่กล้าออกความเห็นที่แตกต่างจากคนอื่นว่างไงว่ากันนะจะออกความเห็นจริริงนี่กลัวมากเลกลัวว่าคนจะไม่ยอมรับกลัว่าคนอืนเขาจะวิจารณ์ เป็นเท่าไหร่านะบางคนเนี่ยกลัวบ้างครัไม่กล้าต่อไม่กล้าต่อราคาแม่คา้ากลัวแม่ค้าว่าฮ <c oughs> นะคือไม่กล้าแหลงมาเลี่ยไม่กล้าแหลงไม่พูดว่าคือไม่เป็นตัวของตัวเองกลัวที่เป็นตัวของตัวเองจะไปจะไปจะไปจะไปเข้าคอร์สนะแล้วอาจารย์ที่ทำแต่สนะั้นฮะ ให้แต่งตัวที่มันไม่เหมือนใครเลยเปรี้ยวที่สุดเลยใส่เสื้อยืดแกไม่เคยใส่เสื้อยืดที่มันมีพวกพวกพังเพิงอะไรนี่นะใส่เสื้อยืดใส่เกย์ทีมันบอกว่าไม่ไ ม, ไม่ให้มันมันแบบไม่เคยใสย่แล้วก็ไปนั่งรถไฟ ใ, ใต้ดินในกรุงนิวยอร์กกลัวมากเลยกลัวม <c oughs> ากเกูไม่ <c oughs> ไมเคยใสย่เนาะบอกว่านั่งเสร็จนะออกกลับมาอะไรงานจาันหน้าตา ย, ยาี่ยมยั รู้สึกดีเพราะไม่มีใครสนใจเลยแต่พวกนี้มีใครสนใจกันเลยใช่ไหมที่ร่างเรียว่าหัวเราจะเป็นเป้าสายตาคนเขาจะมองเราด้วยความเย็นจัดไม่มีใครสนใจเลยแต่นี่คือสิ่งที่แกกลัวไงกลัวว่าแกะจะถูกคนมองถูกคนเลวถูกคนจะไม่ยอมรับคนไม่สนใจกันเลยกแกัมแกหัสแกดีขึ้นมากเลยนะะ กูกลัวมาตลอดเลยนะแต่นี่ยิมคิดตัวเองนะ่ะมโนเองนะั่นแหละใช่ไหมไม่มีใครสนใจแล้วจากก็เริ่มที่จะทําอะไรที่มันแปลกมากขึ้นเพื่อท้าทายตัวเองเน่ยละมันด้วยเนี่ยมันมันไม่ได้ทำมานานเะนี่ยคือเห็นไหมเนี่ยคือคนเราเนี่ยมักจะกลัวมักจะกมโนไปเองความกลัวของเราเกิดจากที่เรามนโนไปเองว่าจะต้องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างที่เรากลัวใช่ไหม สิ่งที่เรากลัวเนี่ยอาจารอว่าไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวของเราเพราะเวลาเรากลัวเราปุงแต่มากมายจนเวอร์นะจนรุนแรงกว่าความจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากลัวเราก็ตามใี้กลัวแสดงความเห็นนะในที่ประชุมพูดไปเลยแล้วจะพบวไม่มีใครสนใจไม่แีใครสนใจเพราะนีคนว่าอะไรนะไม่มีใครสนใจหนัก ม่เรากลัวกเขาคอมเมนต์เนี่ยกลัวเขาคอมเมนต์กูไม่มีใครสนใจก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้พูดในสิ่งที่เราคิดเพราะเนี่ยวิธีการจัด ก, การควาตกัวอย่างแรกเลยนะคือคุณคุณทำสิ่งที่คุณกลัวอย่าไปอย่าไปคอยฟังมัน คุณไม่ต้องไปแพ้กําจ่ายความกลัวนะคุณแค่ไม่เชื่อมันแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณเคยกลัวนะมีคนหนึ่งนะเป็นนักธุรกิจนะเป็นคนที่เรียนเก่งมากเลยไอคนที่เรียนเก่งเนีูมามันกวขี้กลัวมากเลยมันกลัวอะไระกลัวไม่เก่งฮะกลัวไม่เก่งแล้วกลัวอะไรอีกลัวสอบไม่ได้หกลัวสอบไม่ได้หนึ่งกลัวอะไรอีมันกลัวล้มเหลวไอคนที่เรียนเก่งเนี่ย ในส่วนเรื่องมันคือมันกลั ว, วล้มเหลวล้มเหลวคือว่าแค่สอบไม่ดีสอบไม่ได้กะแนนดีถ้าทํางานก็ไม่ประสบความสํเาเร็จแล้วธุรกิจคนนี้มันเป็นคนที่เรียนเก็งมากนะพ อ, อบจบมาเนี่ยนะเวลาทําธุรกิจก็จะทําธุรกิจประเภทที่มันเซฟชัวร์นะประเภทที่ว่าของตายเนะี่ย แล้วทำก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่ากลัวตลอดจะทำอะไรแหลหน่อยก็ไม่กล้าจะเสียงหน่อยก็กลัวแล้ววันหนึ่งบอ ก, กว่าลักษณะคาะทำในสิ่งที่สิ่งที่คิดว่าชัวแล้วลนะมันยังเจงเลยโอ้โหเสียใจมากเลยตกใจมากทั้งควท้ตกใจ แต่ผ่านไปสักพักแกก็สังเกตมันก็ล้มเหลวมันก็ไม่ได้โลกก็ไม่ได้ฟ้าก็ไม่ถล่มโลกก็ไม่ทลายไม่มีคนในวงการธุรกิจเขาสนใจความล้มเหลวของแ ก, ลกเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของวงการธุรกิจใช่ไหมแกเป็นกล<ม>ัวไหมโอ้โหมันความความล้มเหลวนี้ต้องแย่งมากๆเลยนะฟ้าถลมโลกทลายลมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ก็แค่ทําเรื่องต้นทางปิจการมาก็แค่เสียเ ง, งิงนเพราะเพราะว่านับแต่นั้นมาเนี่ยแกหายกลัวความล้มเหลวไปเยอะเลยเนี่เพราะแกร่วงมันไม่มีอะไรมันไม่ได้เลวร้ายมากมันไม่เล็กมันไม่เลวร้ายเท่ากับที่แกคิดแต่แกไม่เคยล้มเหลว่ยแกก็เลยมโนมโนมันต้องแย่หรือว่าแย่อย่างนี้พอเจอกิ้นนี้มันไม่ได้เลว ไ, ไม่ได้เลอร้ายแกไม่กลัวแกหายกลัวความล้มเหลวเลย และนับแต่นั้นมาแกทำรู้สึกแกสมุกมากหนิเแกกล้าเสี่ยงนะแกกล้าแกกล้าทาในสิ่งที่แกชอบถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงแกกล้าสรีดนะ้กกลับมามีชีวิตชีวาเาที่เจอความลุ่มเหลวนะแต่เพราะว่าคำเรื่องสอนแกว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัว <c oughs> อันนี้เป็นตัวอย่างว่าคนเราเนี่ยนะไอ้ความลุ่มเหลวไม่น่ากลัวแต่ความกลัวลุมเหล ว, ว, ว, วใช่ไหมความลุ่มเหลวที่อตรงนี้ ชิดเปลี่ยนเลยอันนีคค้คือคือคือความจริงอย่างแรกที่เราต้องตระหนักนะนะสิ่งที่เรากลัวไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทำเขาใระจาสิ่งที่เราตัวและความเข้าจนีไม่ใช่เกิดจากการคิดเอาแต่ต้องลองไปเจอซึ่งหมายถึงต้องยอมเสี่ยง กลัทุกแกก็ต้องไปอยู่กไกลมันทุกแจกจาลูกตัวให้คนจับวทุกแก็รก็ลูกตัวมันจะหายกลัวไปเลยกลัวฟาร์มืมอก็ไปหาฟาร์มเมอนะกลัวคำล่งเหลอก็ลองลองเจอึงบ้างนะเราจะได้ฟูมฟุมการที่ช่วยทำให้เราหายกลัว อันนี้ประกาศที่สองเนี่ยวิธีที่จะจัดการของความกลัวนะก็คือแค่รู้มันเฉยๆแค่รู้เฉยๆแค่รู้ว่ามีความกลัวแล้วยอมรับมันมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องแปลกนะ มีแตผู้ชายผมก็สามสี่กล 3, ัวแกกลัวพ่้มากเลยที่แบบพ่อไม่ใช่พ่อตายหรือพ่อที่ที่ขึ้นเรือนะพ่อเรือเวลาพ่อเนี่ยจะอุ้มลูกแล้วก็ลงเรือเนี่ยก็ต้องลงโป้ก่อนเด็จกจะกลัวจะล้อจะกรีดและจะเรียกร้องให้พ่อเนี่ยขึ้นขึ้ น, น, นเร็วๆจะพยายามอธิบายลูกนะว่า ไม่ต้องกลัวพ่ออยู่กับลูกพ่อกอลูกไว้แน่นลูกไม่เป็นอะไรลูกปลอดภัยแต่เหตุผลนั้นไม่เคยช่วยและก็ความกลัวได้เลยอันนี้อันนี้เป็นเป็นความจริงนะที่เพราะว่าความกลัวเป็นเรื่องของใจแต่เหตุผลเรื่องสมองใช่ไหมมันคนละส่วนเลยก็ว่า ผู้ให้ตาเนี่ยพูดใช้ตาเนี่ยตามไมรู้เรื่องมั้ยใช่ไหมตามไม่รู้เรื่องหรอกที่ผู้ให้ตาต้องต้องตามโรงเรนที่เห็นรูปไม่ใช่นัะไมน ไ, ไม่ทำหน้าที่ฟังเสียงไอ้ใจเราเนี่ยนะมันไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวรับเหตุผลนะมันเป็นตัวที่ต้องประสบด้วยตัวเองวันนึงเนี่ยแกก็ไปฟังเรื่องราวของของเพื่อตามาจากคนที่มาเมื่อวานนี่ย จะขึ้นนานาแกก็เล่าว่าลูกแกเนี่ยผู้ชายอายุสามขวบวันหนึ่งเนี่ยไปเก็บดอกไม้มาจากในสวนมีสีเหลืองกับสีแดงสีเหลืองก็ใส่แจกันหนึ่งสีแดงก็ใสแจกันแล้วเอาไปให้ยาเอาไปให้ยา่ยาย่าก็ดีใจรุษนุ่นนี่ดีมากที่ผุความเงิทำไม่ได้ ขอบคุณมากเลยพอปันไม่อยู่แดก็เอาดอกไม้นะมาผสมกันนะเหลืองอยู่กับแดงแดงอยู่กับเหลืองนะเพราะยายยายชอบแบบนั้นเด็กมันเห็นเด็กโดดมากเลยจนตอนนั้นยามีอยู่วนอวแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้ย่ามาจะเปลี่ยนกลับไปเป็นอย่างเดิมเด็กก็ไม่ยอม เกแม่เลยวอกงั้นเดี๋ยวแม่ทำให้เด็นเนเดกก็ไม่ยอมนะคือทำไงเนี่ยเด็กก็ไม่ยอมจะให้รอยากสําหรักก็ไม่ยอมนะโวยวายร้องถ้าเราเป็นแม่เป็นพ่อจะไงแอากระเบิ้รอเกินไงกู้นะแล้วไม่ฟังแต่แม่ใ จ, จยเย็นนะทีแรกเกะเบ้ลมอยากจะบรกระเบอ้อยากจะตวะวั่เอาอยัางไงไงวนะทำ่ม แม่ทําให้ก็ไม่เอารอให้ย่ามาก็ไม่ยอมจะพูดกับลูกดีๆปันปันไม่พอใจย่าใช่ไหมใช่ไม่พอใจที่ย่าเอาดอกมาของฟันเนี่ยไปไปบวกกันใช่ไหมยย่าปันอยากจะให้ย่าเนี่ยเอาดอกไม้มากลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมใช่แล้วปันไม่พอใจที่ย่าทำแบบนี้ใช่ไหมใช่ ฝันโกรธใจใช่ไหมโกรธใจใช่ไหมโกรธเท่าไหร่โกดเท่านี้โกดเท่านี้โกดเท่านี้เด็กบอกโกดเท่านี้เลยโู้โหเลงั้นเดี๋ยวจะบอกย่าให้นะว่าฝันโกรธย่าเท่านี้พูดเสร็จไม่ทไนเลให้เด็กมันไปแล้วมันหายโกรธแล้วมันเป็นเล่นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทําไมเด็กหายโกรธนะฮะไม่รู้สึกได้ล้วกัน ขเขาใช้คำตอบสนองนะ่อีเหตุผลหนึ่งคือว่าถึงที่แม่ทําก็คือทําให้ลูกเห็นความโกรธของตัวแม่เป็นหมูกระจกที่ทําให้ลูกเห็นความโกรธตัวเพราะธรรมชาติของคนเราพอมันเห็นความโกรธนะความโกรธมันจะสลายลงอันนี้เป็นเป็นเรื่องของสติสติทำนักการที่การที่ แม่ใ น, นพูดกับลูกอะไรเนี่ยก็คือทำให้ลูกเกิดสติเห็นความรูวของตัวและธรรมชาติของจริงเนี่ยพอมันมีอารมณ์ใดนั้วมันถูกรู้นะพอมันถูกรูกก้ด้วยสตินะมันหายเพราะเวลาโกรธเนี่ยมันโกรธด้วยความกลวัววันนี้พ่อของเด็กผู้ชายเนี่ยแจฟังแจรล้วจรก็เกิดสติใจขึ้นมาจะอยากจะลองไปทำกับลูกดูแต่ลูกจะไม่ได้โกรธแล้วลูกแจกลัว ตอนนี้แกก็ทดลองอุ้มลู ก, ลกเ น, เ น, เกเนเเี่ยลงโป้เลยโอ้แต่กูแค่ลองนะเหมือนแต่ครั้นแทนที่แจะบอกว่ายอย่ากุยกับกลัวแกก็กถามว่าลูกกลัวใช่ไหมกลัวกลัวนเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงหัใจมันเต้นเร็วลมหายใจเป็นไงหายใจหายจา้หาห า, หายเข้าหายใจเข้าเร็วมากเลย ต้องมือเป็นงานมงเกรงเขาใจยัอะพูดจ well. ังโกมากเลยมันเป็นงานมันหนักเด็กมันก็พูดได้นะเด็กสามารถตอบตอบได้ชอบทั้งเนี่ยเด็กก็นิ่งแล้วเด็กก็ปล่อยมือพ่อก็ลงมาเล่นวิ่งเล่นอยู่เล่นเล่นอยู่บนโต๊เนี่ยเด็กมันหายกลัวไปเลยนะสิ่งที่พ่อทําคืออะไร ทำให้รูกเห็นความกลัวของตัวทำให้รูกมาดูกายดูใจผู้ภาษาเราเนี่ยทำให้รูกมาดูกายมาเห็นกายเห็นใจนะตรงนี้แหละคือสติปัญญาเนั่ยแหละนะเรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆกับเรื่องที่หมอวิทารหมอวิทารเนี่ยจะเป็นหมอสัญญกรรมนะแต่จะเป็นสัญญกรรมเลองจะบอกว่าตอนสมัยที่เราอยู่ในบ้านนะ เรื่องเรื่องยาสลบเนี่ยนะยาละมะัคคุลเนี่ยที่สันดีทําให้แต่พอแกมาทําคลินิกเนี่ยแกทําเองแล้วแกมีปัญหามากเพราะคนไข้เนี่กลัวกลัวอะไรกลัวเจ็บนะขนาดถ่ายเล็กนะยังไม่ยอมอธิบายนะมันไม่มีอะไรก็ยังกลัวอธิบายไนมะ่ทั้งว่าเดี๋ยวฉีดยาชาให้แต่ฉีดยาชาให้นะ ก็ยังไม่กลัวก็ยังไม่หายกลัวฉีดไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ก็ยังไม่ง่วงไม่หลับเอ้ก็ยังไม่ไม่ก็ยังไม่ก็ยังไม่ชานะยังไม่ชาว่าชาวปัญหาเสร็จแล้วถึงไม่ชาคือกลัวมากถึงทั้งว่ายาเนี่ยทําอะไรไม่ได้นะไอเรื่องไอเรื่องความกลัวนี่นะหรือความหวงนี่นะบางทียาเขาไม่อยู่นักเพื่อจามาเนี่ย แกมีปัญหาบนใจนะหัวใจรั่วแกไปขาวยุคสี่แกมีเรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่อยู่บนเตียงแล้วนะให้ยาสลบไปแล้วนะแกไม่หลับแกไม่สลบเพราะแกนึกขึ้นมาได้มีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกลูกน้องแกกลัวว่าถ้าแกตายแล้วเนะี่ยมีปัญหาจะไม่หลับเลยสุดท้ายต้องขอโทรศัพท์จากจากใครผู้ให่มอนาะสั่งพอสั่งพอสั่ ง, พ อ, งพอสั่งงานให้เสร็จนะสั่งพุ้อาห้สั่งเสียสั่งเสียเสร็จนะหลับเลย คืกคนเราพอกลัวหรือพอคล อ, อ, องงงนะยาไม่ยุาิธรรมน <S <S คนไข้ของวิทาหลายคนเนี่ยฉีดยาชาไปเนี่ยไม่ออกฤิกนะเพราะเปนกลัวผ่าเสร็จก็กลับถึงค่อยออกฤทธิ์ท้องคนเนี่ยนะขณะจะฉีดยาชาก็ยังกลัวกลัวเข็ญอีกคือกลัวสารพัดน่ะ แล้วพอผ่ายิน่าคูดี่มีความทุกข์มากเลยตอนทมรรคธรมเนี่ยแกพร้อมแกมาเรียนเรื่องเรื่องเรื่องสตินะเรื่องของการตระหนักรู้เนี่ยแกก็มาใช้คนไข้เจ้ป่านี้แกบอกคนไข่อย่ากลัวแกครั้นี้บอกคนไขยย้ว่กกวากลัวใช่ไมให้ยอารับความกลัวนะไม่เป็นไรธรรมดาจะไปทําอะไรกับมัน แต่แล้วกรถทำเข้าตอนที่กลัวๆๆนะกลัวกี่ขนาดเพราะเพียสกอกลัเจ็บนะเพียสกอเพียเพียสกอเพียสกอเพียสกอเสร็จแล้วก็การให้คนไข้เนี่ยกลัวใช่มมาดูกายเป็นยังไงลมหายใจเป็นยังไงนะหัวใจเป็นยังไงนะแล้วก็ไปดูความกลัว ลองจินตนาการว่าตัวเองเข้าไปในใจกลางความกลัวที่อยู่ตรงกลางความกลัวเลยนะแล้วมันเป็นยังไงก็ให้คนไข้เนี่ยเล่าเสร็จแล้วเนี่ยพอจางไปสักพักเนี่ก็ให้คนไข้เนี่ยมาถามคนไข้ว่ากลัวกี่คะแนนเพราะว่าเพียร์สกอร์เนี่ยลดลงแล้วพอผาเนี่ยก็ผ่าได้ลับรื่นเพราะนั้นเนี่ย การใช้สติเนี่ยเพื่อดูความกลัวเนี่ยอันนี้เป็นวิธีนะในการจัดการความกลัวก็คือรู้เฉยๆยอมรับมันเฉยๆไม่ต้องไปคลอยตามมันแล้วก็ไม่ไปไม่ไปผักใสมันกลัวอะไรเนี่ยก็พยายามดูมันเฉยๆมีเดียคนหนึงน่าจมิเดียคนหนึ่งจะจะฝันร้ายทุกคืนเวลาฝันร้ายเนี่ย จะเป็นรูปตัวแค่ตัวมอนสเตอร์เนี่ยตัวมอนสเตอร์เนี่ยวิ่งไล่แกลูกวิ่งหนีออกับบ้านจะตกใจมากเลยเพวกเราเคยเป็นอะไรก็วิ่งหนีขี้อะเนี่ยโอวิ่งหนีนะออกจากบ้านนะไปเจอบ้านหลังหนึ่งนะแกก็รีบวิ่งไปเปิดประตูตเปิดปเสร็จก็ ย, ยังามปิดประตูปิดไม่ทันนะมันลอดเข้ามาแล้วก็วิ่งตามแกจนขระ่งไปถึงไปถึงขาบ้านไปไหนไม่ได้แล้วนะนะ มันจะขยุ้มมาที่กระโดดมาที่แกก็ตกใจร้องกรตื่นขึ้นมาแล้วเป็น<ม>อย่างนี้ทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนแต่เป็นนะไม่หนีด้วยกันตื่นหนีด้วยการตื่นใช่ไหมมันจะได้ตื่นวิ่งไม่ทันแต่ทุกคืนแต่ตอนหลังเด็กมันจะมีความทุ่มว่าเวลาจะนอนหลับมีวันนึงแกก็ล่าเด็กขึ้นเพือ่อนฟังเพื่อนกระถามว่าเออแล้วเธอรู้ไหมหน้าตาเป็นยังไงตอบไม่ได้เพราะวิ่งตลอดเวลาย ก็เป็นคำถามที่น่ากิดนะหน้าตาเป็นไงกูไม่รู้แล้ววันหนึ่งเนี่ยแกก็ฝันหลับมาแล้วก็ฝันก็เหมือนเดิมนะฉากเนี่ยก็คือวิ่งหนีนะวิ่งหนีแล้วก็หนีเข้าบ้านเปิดประตูแต่ปิดประตูไม้ทันมันก็เข้ามามันก็ไล่ไปทั้งแกตรวจตัวไปถึงถึงฝาบ้านถึงกำแพงแต่คราวนี้เนี่ยพอแกถึงตรงนั้นเนี่ยแกนึกขึ้นมาได้ว่าอ ไม่เคยหันหลังไปดูไม่เคยหันหน้าดูนหน้าตาเป็ไนไงแกหันหน้าเลยนะหันหน้าแล้วก็จ้องจ้องอย่างพวกผีมอนสเตอร์เนี่ยบอกว่ามันไม่กล้ากระโดดเข้ามาเลยมันก็แค่กระโดดโยงแยงย ง, ย ง, ยงยงอยู่ข้างหน้าแกมันไม่ทำอะไรแกแลเลยะคนนี้มันเล่นเกมเากพอมาเห็นหน้าตาถึงรู้เลยว่ามันคือตัวมอนตัวการ์ตูนที่แกชอบอ่านเวลาก่อนนอน มาแล้วต่นนัแกไม่หันไล่เลยเพราะอะไรฮะแกหกันไปประเชิญกับมันมนะแทนที่จะหนี้เนี่ยรวบรวมความกล้าหาันไปประเชิญกับมันนะบอกว่ามันหมดทิศสงเลยนะเพราะนั้นเนี่ยทุกมองอย่างให้ไปทัดทายผู้แกมีอีกลน์นึงนะอันนี้ผู้ใหญ่มาแก แกชอบนั่งสมาธิตอนแรกเขาตัสมาธิมากๆเนี่ยมันก็สงบจิตมันสงบมากแต่พอเริ่จุดนี้เนี่ยมันเกิดที่มิตเห็นภาพเป็นมือเป็นฝ่ามือเนี่ยโผล่มาแกฝ่ามือนี่ยแกเสียวว่างเลยเพราะมันเป็นมนแกจําได้เลยคือมือของพ่อและฝ่ามือของพ่อเนี่ย แกเสียว่าเพราะมันเป็นมูอที่ตกตีแกเป็นประจําตอนเป็นเด็กไอ้ความกลัวและความโกรธที่มันฝังมาตั้งแต่เล็กนี่มันออกมาเลยนะและทำสมาีิต่อไม่ได้นะมันเป็นปมที่ฝังลึกมากนะความกลัวความโกรธบที่มันฝังเนี่ยเวลาที่เราสะกิดนะคุณมันฟุ่งออกมาเลยมันเป็นการเจ็บกดเอาไว้ แล้วแกนั่งสมาธิคืออะไรก็เห็นในตัวเนี้ยออกมาอยู่เรื่อยสุดท้ายนะแกเลิกแกเลิกนั่งสมาธิเลยเพราะแกนั่งไม่ไนดะ้นั่งแล้วต้องเจอแต่หลังจากนั้นสภาพแกก็มานั่งคิดว่าถ้าแกยังกลัวไอ้มือนี่ต่อไปเนี้ยชีวิตแกคงจะไม่รู้จักคาว่าความสงบจากสมาธิแกต้องการข้ามข้นไปให้ได้ แ้วแกรวบผลมันไม่ได้เพราะงั้นแกตั้งใจเลยนะถ้ามันมาข่าวหน้าแกจะดูมันแล้วพอท่านสมาธิเสร็จพอจะสงบเนี่ยมันก็มาแจะลดลงความกล้ามาเพราะว่าใจอย่างเนี่ยมันก็มีความกลัว ม, มีอา ก, การต่างๆเกิดขึ้นมาแต่ แ, แกก็ดูมันดูไงเพราะว่าสิ่งที่แกเห็นเนี่ยบอกกันว่ามันไม่ใช่มือที่ทเคยตบแกมันเป็นมือที่กาลังขออะไรบางอย่างจากแก มือที่ตบมือที่ขอไม่เหมือนกันนะแกมาดูทีจริงไอ้มือที่มาไม่ใช่มือที่ตบเป็นมือที่กำลังขอเมือ่อจะออกจากสมาธิแกพิจารณาดูอบอว่าการพิจารณาท่านทำให้แกเข้าใจพ่อมากคือทำให้แก่แกให้ภายพ่อเพราะสิ่งที่พ่อข อ, อนนี้คือขออะไรขอความรักจากแก แกมาต้องทบทวนชีวิตของพ่อแกนี่นะพ่อแกเนี่ยเป็นคนที่เป็นแค่เป็นนักการพาลงในบริษัทใหญ่แล้วก็ถูกคนขม่มถูกคนทุกระดับเนี่ยในทํา ง, งานในี่ยข่ดาเยียดยามพ่อก็อเครียดเวลาพ่อมาที่ที่บ้านเนะี่ยก็ระบายความเครียดกับลูกกับเมียตบเมียตบลูกนะแต่ในส่วนเรืของพ่อเนี่ยพ่อต้องการความรักต้องการการยอมรับเพราะว่า มันขาดไนงะไม่ได้รับกากพิ่ที่ทำ ง, งานเนี่ยเราต้องการความรักแต่ไม่เคยได้มันจะได้ได้ไงานเล่นตบเล่นดา่าลูกดา่าเมีอะไรประจำแต่ลูกๆเนี่ยพ่อต้องการแล้วลูกเลยเข้าใจว่าที่พ่อตบลูกใช้ความแรงกับเมียไดเปเพราะว่าพ่อเนี่ยค่องคร่องความรักคร่องการลึกขาดการยอมรับพอเข้าใจพอ่อกี้นะมันหายเสียดหายปวดพ่อไปเลยนะ มันหลุดไปเลยไม่มีความกลัวมือที่ต่อไปแ ล, ล้วเนนั้นเนี่ยมันทสมาธินะมือมันไม่มาแล้วมันหายไปเลยเพราะเข้าใจนะแล้วความเข้าใจนี้เกิดขึ้นได้จากะเการที่เพิ่มขึ้นนะไอ้มือที่ตัวเองกลัวเนี่ยนะและรู้ความจริงว่ามไม่ใช่มือที่ตอกมันเป็นมือที่ขอนะความรู้สึกเปลี่ยนเลยนะ จะเปลี่ยนเป็ น, นการสงสารแล้วก็เป็นการให้อภัยและสุดท้ายแกก็สงบสุดนะกลับคืนดีกับพ่อนั้งสมาธิก็สงบเป็นสุดนะนี่เป็นตัวอย่างนะว่าการการที่เรามีสติดูเนี่ยดูความกลัวดูสิ่งที่เรากลัวหรือว่าดูอาการที่เกิดความกลัวเนี่ยเช่นอาการที่เกิดกับตายแบบใจเนี่ย คอนเทนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการที่จะรับมือกับความกลัวและความกลัวบางอย่างนะเช่นเรื่อความเกลียดบางทีเราไม่รู้มันมันเกลียดอะไรเราไม่รู้กลมของมันเราไม่รู้กลมของมันแต่ว่าพอเจออะไรบางอย่างนี่มันจะเกิดอาการขึ้นมาทันที มีเพื่อนคนหนึ่งนั่งใจเล่าให้ฟังจากรื้ฝังตูง้นู่นอะไปกินอาหารไปกินอาหารในร้านไปกินอาหารในคาติารแล้วก็เดินเข้าห้องน้ําล้วก็ไปเจอหมาตัวสีดำตัวหนึ่งนะแกเห็นแกนตกใจจะช็อกไปลมเลยเป็นลมเลไอ้เพื่อนที่ก็มาตอนหลังก็มามาปกป้องแกแล้วก็ พอแกรั่วเกิดอะไรขึ้นแกก็งงมากนะแม่แกกลัวหมาขนาดนี้แกก็จำไม่ได้นะว่าคือก็เพื่อนถามตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเคยโดนหมากัดนะหรื่านะถ้าบอกก็ไม่เคยนะแล้าทําไมกลัวแล้ววันนึงเนี่ยเพื่อแกกลับไปบ้านเนี่ยไปหาแม่แกก็ถามพยามซักแม่ลุงเนี่ยอบอกว่าจริงนะตอนเด็กเนี่ยแกเคเคยเคยกลักวหมาแบบเนี้ย มันกัดมันมันมันกลัดแล้วแกตกใจมากกลัวมากไอความกลัวจะมันฝังลูกไงแล้วหมาไปไปไหนอ่ะพอเจอหมาตัวนั้นเนี่ยขนาดแ ก, กที่ยี่สิ ก, กว่านะไอความกลัวจะมาถูกกระตุ้นออกมาเลยนะกลัวจนท่านช็อกเป็นลงเลยเลยแต่พอแกรู้ตรงนี้แล้วนะพอแกรู้แล้วอ๋อมันเคยมีความเป็นมานะมันก็ช่วยที่คลายไนดะ้คือบางทีเนี่ย การที่เราปล่อยให้มันออกมาแล้วเราดูมันอย่างที่มันเป็นเนี่ยแทนที่จะกดมันเอาไว้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้อพลังงานความกลัวเนี่ยมันมันมันเบาบางได้อันนี้เรามีความกลัวและความเกลียดกันนะปล่อยให้มันออกมายอมที่จะเห็นมันยอมที่จะดูมันะหลายบางสิ่งบางอย่างในชีวิเรานะเราทนมันไม่ได้ตัวระทั่งเรา กดมันเอาไว้ในจิตและสมองเลยจนกระทั่งเราลืมมันไปเลยเราลืมมันไปเลยนะทั้งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากในชีวิตของเราแต่เราทนมันไม่ได้ทนกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เคยมีแม่ชีท่านหนึ่งนับเรื่องเงี้ยเกิดขึ้นมาเกือบยีสิบปีแล้วตอนนี้แม่ชีก็ไม่อยู่แนละ้วปันคอมพิวเตอร์เสีย ก็ไปขอให้พระเนี่ยรุ่นหนึง่งเนี่ยมาช่วยซ่อมท่านซ่อมไปซ่อมมาท่านก็ไปเปิดดูไอ้เมลวอล์ทั้ง Inbox ทั้งเอาวอล์เอาบอลพอไม่ชีรุ่นไม่ชีไม่พอใจและโกรธมากดา่าพระกะเจเิงเลยแล้วท่านได้พอท่า น, นอมีความโกรธพุ่งออกมาของความโกรธมันรุ่มไปใหญ่นะจริงๆมันก็เรื่องแค่นี้นะ ถูกพาดนแล้วล่าลววงแต่ว่าด่าไปแล้วก็ยังไม่หายโกรธตอกกลางคืนก็ยังก็ยังครุ่งคล้านจนนอนไม่หลับต้องออกมาเดินตรงกรทั้งคืนแต่เนื่องบแม่ชิวนี่ยได้เรียนรู้การตรือนสติเรียนรู้ที่จะให้ดูเฉยๆก็กปล่อยใหมมมม้มันทรมาลูตมามันทรมานแต่ว่าพยายามดูมา ถึงจุดหนึ่นงจะบอกเธอวน่นี่ยความโกรธเนี่ยมันพุ่งออกมาเนี่ยเมืนกัเหมือนกับงูนี่ที่มันแผลมันถูคอเลยนะงูงูร้ายมันชนะูคอเแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็เห็นภาพตัวเองความเป็นเด็กอายุสี่ขวบวันนั้นอยู่บ้านพี่แม่ไม่อยู่ก็มีเอกผู้ชายข้างบ้านเนะี่ยมันมาทําที่ดีทีร้ายแบบเธอ เพรกะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเธอลือมมันไปเลยจำไม่ได้ลแล้วมันโผล่มาตอนนี้พอเธอเห็นเหตุการณ์หูร้องผมร้องไห้นะเพราะถือว่ามันเป็นความสิ่เจ็บปวดมากนะเธอก็ดูไปเรื่อยๆนะตัวท่านเนี่ ย, ย พ, อพอรูปช้างก็คก็สงบลงแล้วเธอก็เลยรู้เลยว่าทําไมเนี่ยจิงเกียรผู้ชายอนะและทําไมเธอถึงเป็นคนนี่ทำไมถึง ทำไมเนี่ยถึงเกิดอาการที่คลุ้งคลานมากเวลาพระเนี่ยมาเปิดอินบ็อกซ์เพราะมันเหมือนกันกว่าไปไปไปเปิดไปเจอ เ, เรื่องส่วนตัวของเธอการเปิดอนะินบ็อกซ์เอาบ็อกซ์นี่นกับการที่ถูกถูกเปลืองข้าวนีนะมันคนละเรื่องเลยนะแต่สำหรับเธอแล้วเนี่ยมันยงติดจนได้มันไปกระตุกไอความทรงจำการที่ถูกระมือความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะการที่ถูก ทำวิดีโอวิาลเนี่ยมันถูกปลุกขึ้นมาจากาการกระทำของฆาตที่แค่ไปเปิดดูบินบ็อกเอาบอกแต่มันยมกันได้เพราะมาหายลิการกา ร, ร่วมนอร์มิดอร์มาิการระลอมาร์ ล, ลัวงหมายิการนอร์มเออร์สิทธิส่วนตัวหมายลิงการโกิดกัดนเลยือเธอหายโกรธฆาเลยนะแล้วก็เข้าใจเข้าใจว่าทำไ ม, มถึงเกลียดผู้ชายจนเราแหวงผู้ชายามาเตือนเหตุนนการณ์ที่เธจําไม่ได้เลย แต่ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันต้อง ม, มีทางที่จะถูกถูกขึ้นมาไนดะ้ให้ความกลัวก็เหมือนกันนะความกลัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยกลัวแล้วไม่มีสาเหตุก็ไม่รู้กลัวทุกใจมันมีสาเหตุหรือเป่าไหแต่บางทีไม่มีสาเหนจริงนะคือแต่ว่ามันกลัวเนี่ยเพราะว่ามันมีปมบางอย่างซึ่มันเราเร า, เราเก็บมันเอาไว้แล้วไม่มีครั้งที่เราจะข้ามปมมนใ น, นจนกว่าที่จะเอามันออกมา แล้วก็ดูมันอย่างที่มันเป็นยอมรับมันถึงจะก้าวข้ามมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการจัดการความกลัวเนี่ยนันเป็นสิ่งที่ที่ที่จําเป็นต้องทํานะถ้าว่ามันมีเนี่ยนะและที่จริงแล้วเนี่ยพี่บอกลเรื่องความกลัวเนี่ยมันในปัจจุบันเนี่ยความกลัวเนี่ยมันมีโทษต่อบุคุมมันสามารถที่จะ มันสามารถที่จะสร้างสร้างปัญหากับเราได้เอาง่ายๆเนี่ยแค่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยมีคนพบว่าเนี่ยเขาทำวิจัยว่าคนที่กลัวเป็นฉีดยานเนี่ยเวลาโดฉีดยาจริงเนี่ยมันจะมันจะเจ็บมันจะเจ็บเป็นสามต่อของคนที่ไม่กลัวแต่ว่าอะไรแปลว่าความเจ็บในคามกลัวเนี่ยมันทําให้ความเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นสองเจ็บหนึ่งเนี่ยเกิดจากเป็นความเจ็บทางกายนะเพราะเข็มจิ้ม อีกสองอีกสองส่วนเนะี่ยเป็นความเจ็บที่เกิดจากใจทุกนะตัวนะครับไม่ได้บอกเรื่องมเดือนหรือว่ากลัวอะไรไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวสิ่งที่เรากลัวเนี่ยนะมันไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวกลัวเข็มนะแต่มันแค่เข็มอยู่ยนะมันก็แค่ทำให้เราเจ็บหนึ่งส่วนแต่พอกลัวแล้วเดีนะเป็นคูณสามเลยอย่า ง, นะงก็ตามเนี่ยนะ แต่ขณะที่เรายังจัดการความกลัวไม่ได้เนี่ยสมาชิกว่าการใช้ประโยนความกลัวให้เป็นประโยชน์ก็เป็นช่องทางที่ทำได้ใช้ความกลัวเป็นประโยชน์นะกลัวล้มเหลวก็ทําให้เราระมัดระวังคุณงคิดถ้าเราไม่ตมอยู่ความกลัวนั้นเนี่ยใช้ความกลัวเป็นประโยชน์มันมีพเมื่อเรอ็ี่มันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ เทพเจ้าหรือเจ้าพ่อเทมปูราเคยได้หานะครับที่ในใัในในในใ น, ในญี่ปุ่นน่ยมันมีมันมีคนที่ทำเทมปุราได้ได้สุดยอดมากเลยนะคนคนนี้เนี่ยตอนเป็นเด็กเคยทําสูชินะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทําสูชิ นะพอเขาเด็ทำไปเรียนเทปุระแล้วแกว่าเรียนอาย 15, ุตั้งใจเรียน่าโะทั่งายุสิเจนี่ยเจ้าชายก็ให้แกไ ป, ปรงอาหารตรงเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เนี่ยนะร้านหารญี่ปุ่นเนี่ยนะมันจะมีเคาน์เตอร์นะทำเทปุรหรือสูชิแกมีทุกแกเป็นทุกข์มากเลยแกเกรงแกเครียด นะจะตัแข็งเลยนะเวลาปรุงแชมพูมร่งเวลาทอดแชมพูรานะ่างแกก็พยายามสหาเจอทำไมมันเป็นอย่างนไงก็เพราะแกกลัวกลัวล้มเหลวกลัวลูกค้าจะไม่พอใจและสิ่งที่แกทำก็คือว่าใช้ความกลัวเนี่ยก็คือในเมื่อกลัวล้มเหลวเนี่ยก็เอาความกลัวนั้นมาเป็นแรงผลักดันในการสังเกต วิธีการทำเช่นกุร่าที่อร่อยสังเกตว่าถุดิบสังเกตวิธีการปรุงวิธีการทอดสังเกตย า, าศึกษาจากบันทึกด้วยเอาความกลัวเนี่ยมาเป็นมาเป็นแรงขับกาในการเฝ้าสังเกตเพื่อทำให้เช่นกุร่าของแกนเนี่ยมันอร่อยที่สุดนะมันดีสึ่งแกได้ความสำเร็จ อันนี้ก็เลาแกามชอาใช้จากความกลัวนะแต่ว่าครั้งที่จะี๋ยวแกจะขอให้ความกลัวมาเล่นงานแกก็ใช้ความกลัวนี่แหละนะครับเป็นแรงขับการในการทํางานให้ให้ดีที่สุดนะทำให้งานตัวเนี้ยถึงขั้นระดับที่สุดยอดได้แุกวันนี้นี่แกก็วนมีคนอไปชิมร้านขอแกนี่เยอะมากเลย พอพอกับคนที่เป็นเจ้าพ่อสูชื่อชื่ออะไรนะโจโจชื่ออะไร น, นะมีคนเนี่ยที่เคยทําสาระดีอ่ะคนนั้นเนี่ยแกก็ชมคนเนี่ยนะเห็ว่าเป็นเทพเจ้าแชนพุ ล, ลาหรเปล่าว่าเวลาเจเวลากินแทพู ล, ลา่าของเขาเนี่ยมั น, มนก็ไม่ได้กินแชมพู ล, ลาหรื ก, กินอะไรบางอย่างที่มันสุดยอดก็มูลละสองสาพันบาทนะ <AL IT AN TS> แล้วก็พี่ว่าคงเท่านี้กันนะเอ อ, อจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราได้บ้าง คือทำสงสัยก็ซักถามได้ขุนนะทุกทนอาจาย์อยู่ไหบ ธรรมะบัญญาตนี้มีหลายคนตั้งใจมาเพราะพอตารางออกไปอะค่ะก็จะมีน้องๆในชอหมอจํานวนหนึ่งเนี่ยตั้งใจมาคอนเซ็ชั่นนี้เลยเออัอนอันแรกเลยเพื่อให้เกิดปรยชนคนตั้งใจมามีประโยชนอยากเล่าตอนนี้ไหมคะเอองั้งนบัญญาตไปพอแล้วล่ะมันต้อง ผานอีกเซอร์อพร์สผ่านเพสเดี๋ยวถ้าฉันฟังแล้วคือจะจัดให้คือเดือดกเอาคืนนี้เลยโอเคดูพะอาจารมีกิจกรรมบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ในหัวแล้วตอนี้มีเวลตาชั่วร้ายประกฏเลยไม่กล้าออกมาเลยไม่กล้าเปิดตัวอย่างพูดไหมครอ่า สัน้นๆระหว่างประยกเดินมาตรองมีทัานๆอีกหนึ่งก็คือจริงๆตอนที่ตัวขอสมบัติายเรื่องีเนี่ยตอนที่ช่วงที่ทำงานกับครูพแาพทย์นักศึกษาแพทย์เนี่ยก็จะมีประเด็นที่ได้เจอเึ้่งทำงานกับเด็ก EXTERN ี่เด็กปีหหรือหมอใหม่ที่จะจบไปใหม่ๆเนี่ย ที่จะอยู่ภายใต้ความกลัวของการต้องไปทํางานไปเฉยอย่างที่พระอาจารย์ว่าคนเรียนเก่งกลัวล้มเหลวกลัวทําไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการพูดกันค่อนข้างเยอะว่าวิธีการสอนของเราเนี่ยของโรงเรียนแพทย์เนี่ยมันยิ่งไปบ่มท้องความกลัวให้กับนักเรียนค่อนข้างมากอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะ อ, นนอันนี้เป็นที่มาอาจจะเอาไว้ทีหลังใ ห, ให้เวลากับบอโยกล่น เพราะนั้นตัวเองเนี่ยที่เป็นคนขอเองเนี่ยก็คือขอเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เพื่อเอาไปทําเอาไปทำค่ายอเดี๋ยวไปแบ่งปันกับค่ายครูแพทย์ครูทันตแพทย์ยิ่งทันตแพทย์นี่เรียนอยู่ภายใต้ของกดดันเยอะมากศาสตรทันตแพทย์ที่จะตัวสั่งงานงบเพราะว่างานอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของครูค่อนข้างเยอะเลยก็เดี๋ยวชุดวันนี้แก็ไปทํางานต่อแต่ตอนนี้ เวลา น, น้อยเขาเวราให้ห อ, อยกก่อนคัเรียนผูอาค่ะชื่อแท้หญิงวันจันทสุภานิโค่ะก็ผ่าศะใหญ่ค่ะาก็พอดีพอดีก่อนที่จะมาที่นี่ก็คือจะมีโจทย์สองสงามกาที่ถามมาค่ะพอดีตัวตัวโยกเองเนี่ยมีการเจอเรื่องของก้อนนิ่เล่านค่ะประมาณก้นก้นสีแล้วก็ปัญหาก็คือ เราเราเองเป็นหมอเนี่ยเราก็เลือกแล้วคิดในใจว่ามันน่าจะเป็นแค่ยอดปกติธรรมดาทั่วๆไปด้วอาุอะไรอย่างเ ง, ง, งี้ยะ่ะแต่ว่าเราก็เลยเพิกเฉยจะไม่ทำอะไรกับมานค่ะป ร, ะประากฏว่าในช่วงเ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอดียมดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายาค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะมีเคส หมายว่าเป็นผู้หญิงอายุใกล้ๆไล้เลี้ยงกันรประมาณ 29-35 เนี่ยค่ะส่วยเป็นมะเร็งต้อโบ้ากมายแล้วก็เสียชีวิตไปพอสมควรแล้วก็ประกอบกับประสบการณ์ของอุ้ยคุณย่าเป็นมะเร็งต้อโต้งแต่ใน40แล้วก็เสียชีวิตไยนในปี2ปีคืคอพวกเนี้ยมันเหมือนเป็นข้อมูลที่เรามีอยู่ในใจแต่เราก็เราก็แค่วัดเราคืว่าเออมันเป็นข้อมูลสมแต่ปรากฏว่าทอรตัวอะไรนะคะ ก็อไอ้ก้อนเนี่ยมันมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปในทางแนวทางที่ออกจะร้ายสักหน่อยก็คือมันอาจจะเป็นจา ก, ก้อนที่มันขนาดนั้นประมาณหนึ่งกลายเป็นก้อนที่ยึดติดกับเนื้อมากขึ้นค่ะแล้ในทางการแค่ใจรู้สึกว่ามิ น, น่าจะร้ายมากขึ้นก็งนใจก็จะหวาดหวั่นค่อนขึ้อยู่ระดับหนึง่งแต่ก็เลือกที่จะเอาไม่เป็นไรทํางานเพราะว่าน้่นนี่ภาระได้าที่งานขหมอแก็จะเยอะค่ะก็เลยเลือกเฉยเอาสุดว่าพอ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของอแม่น้องสาวบ้างให่ว่ต้องไปตรวจได้แล้ ว, วล่ะพอในวันที่เราจะเริ่มพาตัวเองไปสู่กระบวนการขั้นตอนการตร ว, วจตามปกติธรรมามันก็เกิดความรูม้สึกไ ม, ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่คงที่เป็นความรู้สึกเหมือนกลัวครูวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าไม่กล้าประชนุนกาบมันสามารถแยกประเด็นของความที่ไม่อยากประชนินกับมันเนี่ยพอมาถึงแค่จุด ท, ที่กระตอ้นแรกคือ กัวว่าจะต้องเป็นมะเร็งอะไรเนี้ยค่ะกลัวว่าครอบครัวพ่อแม่ที่ถ่ายมาคืออาจจะว่าเคยมีประสบ ก, การณ์เก่าก่อนเกี่ยวครอบครัวว่าเวลาพ่อแม่หรือว่าเราป่วยมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี้ยในครอบครัวก็จะสับสนโกรธมาลุ่มใจว่าไม่อยากเห็นภาพนะั้นไม่อยากให้ตัวเองคนต่อสภาพนั้นให้กับครอบครัวก็เรือกที่จะไม่บอกครอบครัวหายแต่ว่าในใจก็จะไม่คงที่ งานทุกวันเนี่ยยังคงต้องเดินหน้าต่อไปทุกวันประหนึ่งว่าเราสวมหน้ากากไปทํางานคือเหมือนตัวเองเข้มแข็งเหมือนเดิมไหนจริงในใจเนี่ยมันก็จะแบบเป็นคลื่นลดลงตลอดเวลามีอยู่ช่วงหนึ่งในใจคิดว่าเอ๊ะเราหยุดได้ไหมหยุดงานที่นี้หยุดเข้ามาหาฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ทุกวันทํางานเนี่ยก็จริงแต่กลับบ้านใช้นอนพักหายหายเหนื่อยก็ขึ้นมาใหมายขึ้นมาําเนินการตอบได้ แต่พอตอนนั้นเนี่ยพอทางานก็เหนื่อยแล้วกลับไปบ้านกลับเป็นว่าเราก็เลิอกที่จะเพลิดเฉยมันช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เหมือนเม่วานคในวงาอกไปแล้วว่าชุวตีสาถึงนมาจะมีน้ำตาเพลื่นที่หน้าเราก็แปลกใจว่าทำไมถึงต้องมีน้กตาเพลื่นที่หน้าอย่างนี้ค่ะมันก็มันก็เป็นคือช่วงตีสาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันร่างกายอะไรบางาเฉยดานอะไรหมหรือใคในนึกๆสงเกาหรือเ่าคะ ความคิดจ่งนั้นแล้วก็ปรุงแต่งไปเรืเ่อยๆจนในที่สุด อ, อมีความคิดนั่นเองว่าอันนี้เป็นคําพูดในในหัวนะะอาจจะไม่คออไครเลาเท่าไหร่เฮ้ยนงนี่มันไม่ใช่นงของเราเราไม่สามารถจะไปจัด ก, การหรือขอร้องมันให้มันไมเป็นก้อนที่เราอะไรนะคะก้อนที่เราเป็นตะเร็งไม่ได้เหตุกาจริงถ้าในี้โลกความจริงเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นนะ ว่ากคือไม่ทำอะไรเราทไมไม่กร้าังร่าง ก, กายี่ไม่ใช่ของเราเลยเราเก็บวัคซีนลี่ยนแปลงอะไรนะคะพาโทโลจี ology, ที่ชูพาโทโลจีเร่องของเลือดเรี้ยงไม่ได้เลยที่มันสั่งไม่ได้เลยนะมันก็เกิดความเครียดอะไรา ม, มาคทุกอย่างมันก็เลยควนกันใหม่อีกรอบหนึ่งจนอยู่นี้ก็เห็นเป็นภาพตัวเองเนี่ยกำลังอยู่บนหนะ้าผาพร้อมที่จะกระโดดลงไปตอนนั้นรู้สึกแบบ ใจมือข้างนี้ก็มาจับหน้า อ, อกตัวเองว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหยกวันนี้จะต้องทําอะไรหยุดคิดอย่นั้นก่อนวันนี้จะต้องพาตัวเองไปตรวจคนไข้ใช่ไหมไปเยี่ยมบ้านใช่ไหมนะคะต่างๆทั้งนั้นที่ทุกอย่างมันก็ถูกตับบดบทฆ่าตรงนั้นนะคะแล้วก็พาตัวเองเข้าสู่ระบบการตรวจธรรมดาการปกติซึ่งตอนนี้มันก็ออกมาเป็นผลปกติที่ปัญหาแต่ว่าในใจส่ว น, นเนี้คิดว่าโอ้โห บททดสอบรอบนี้หาที่เกี่ยวกับเรื่องของเคมีแค่ก้อนอ น, อนั่นเองเนี่ยมันบอกถึงวิธีกระบวนการคิดกระบวนการทางจิตใจที่ว่าวิธีภาวัดรงสติมั น, ม, นมันได้แค่นี้ค่ะก็ะะเลยไม่รว่าเราจะยังไงต่อเมือ่อกี้มีอะไรยังมีอีไหนท่านก็มาแนะนำ ม, มาติดผลให้เห็นอะไรบ้างหนา ค, ะ, คะแต่ก็อาจารย์กูบอกว่า ก็ถ้าได้โอกาสเหล่าพระอาจารย์หรือพระอาจารย์จะทรงแนะนำวิธีการหรือว่ากรณีของหยกเองจะเป็นสิ่งที่จะจะช่วยให้ทุกท่านได้มีเครอะห์อมไรบ้างตื่นเต้นกันไหคือ นั่งสบาอการมอนิแง่นี้กคือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งแล้วคือเวลาหน่อยน้อยเราก็ได้เห็นเห็นความโกลวที่มันเกิดขึ้นรวมทั้งอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตามมาด้วยซึ่งอาจามาคิดว่ามันจะช่วยทำให้เรารับมือกับมัญจีดีขึ้น ถ้ามันจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปหรือว่าแล้วก็ทั้สิ่งที่เกิดขึ้นในรานเนี่ยจะมาว่าลองเอามาเป็นเป็นวัตถุทิจในการที่จะทำให้เข้าใจความกัวหรือทําหเข้าใจเกี่วกัตัวเองนะเพราะว่าความดูแลเนี่ยยังยังเข้าไปดูมันไม่ตลอดสายมันมีการพยายามที่ส ก, กัดมันอยู่ลองพยายามเอามันออกมาแล้วก็ดูมันบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่เราเห็น สาเหตุหรือว่าร่ำแน่ซึ่งเพื่อทําให้เราจัดการกับปัญหาได้ดีขึ้นครั้งนี้หรือว่าครัง้งต่อไปก็ตามเนีคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวัตถุดิลําค่ามนเป็นวัตถุดิล้าค่าที่พยายามที่ใช้ให้เป็นประโยชน์นะอย่าถ้าว่ามันถ้าเราไม่ไม่เข้าไปศึกษาไปดูมันบางทีก็อาจจะทําให้ขาด หาโอกาสที่จะได้รู้จักตัวเองหรือทำความเข้าใจเรือความตัวส่วนทั้งอารมณ์ด้วยซึ่งมันไม่ใช่ออกมาตัวเดียวมีหลายอารมณ์ที่เกิดขึ้ น, นจริงเรื่องดูเนี่ยโมฝนได้พูดเรื่องนี้แล้วก็เมื่อเช้าก็คุยกันว่าพลังสติ ระดับไหนของการดูเมื่อกี้ตอนที่ประอาจาย์พูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความกลัวรู้จดได้สามข้อข้อแรกก็คือให้ไปเชิญเพื่อรู้จักแล้วก็เข้าใจเขาตามจริงข้อสองเนี่ยใช้สติเพื่อที่จะรู้เฉยๆแล้วก็ยอมรับแล้วก็ข้อสมเนี่ยก็คือลงไปเห็นแล้วก็ใช้ควรเพื่อเห็นราก ไอ้ตรงข้อสามเนี่ยค่ะเมื่อเช้าเราคุยเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะเลยใ mm hmm. นกลุ่มบอแบบเนี้ยเพราะว่าสาหรับสหรับบอยกซึ่งซึ่งมีติงค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้ใจเรื่องสกิลของการใช้ใจดูจริงหรือว่าใช้สติจริงเนี่ยค่ะควรจะเป็นเมื่อไรหรือว่าแค่ ให้เห็นก่อนว่าเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ไปเข้ามาแล้วก็เขาไปหรือว่าจะต้องมีการยานมิตรที่จะใช้คำว่าดูแล้วก็ไควครวนแต่ว่าไม่ใช่ไปดูแล้วก็ไปจมอะค่ะเพราะว่าจริงๆโยกก็ได้การุณาให้โอกาสท้งเราได้เรียนรู้กับโยกแบ่งปันถึงแบกกราวอะไรบางอย่างที่ก็จะมีความถ้าดูคนเดียวอะค่ะอาจจะ อาจจะไปจมซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือว่าไปถุกปมเพิ่มขึ้นนะคะอาจารย์จะแนะเพิ่มยังไงตรงที่เรียกว่ารู้เฉยๆกับเห็นมันอย่างแท้จริงจนตลอดสายาการที่มีเพื่อนมาพูดคุยแล้วักถามาการสักถามจะช่วยช่วยให้ให้เราซึบงเปูตอบเนี่ยได้เห็นตัวเองชัดขึ้นด้วย บางทีเนี่ยเวลาเราตอบไปเนี่ ย, เ, ย, เ, ยเวลาเราตอบคำถามเนี่ยเราก็จะมันก็จะเห็นอารมณ์ของตัวเองค่อยๆออกมาซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคำถามแดยถ้าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่เป็นคำถามเพื่อ explore ไม่ใช่ตัดสินนะแต่เพื่อที่ explore ให้เราได้เห็นซึ่งส่วนใหญ่คือคำถามเปิดนะเหมือนกับแม่ที่ถามลูกเนี่ยลูกอายุสามี่ขวบเนี่ยถามว่ารู้สึกยังไงกับยายนะ ผมคิว่าเพื่อนจะช่วยทําให้ให้เราเนี่ยนะสามารถที่จะค่อยๆค่อยๆพบทวนนะสิ่งที่เกิดขึ้นและทําให้เราได้เห็นอารมณ์ของตัวเองในกระบวนการทบทวนนั้นนแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนก็คงช่วยได้ด้วยซ้ําถ้าหากว่าเราจะเผลอจมอยู่ในอารมณ์เนี่ยก็ช่วย ท, ท, ท, ทําให้เราได้การตั้งคําถามให้ทําให้เราเนี่หลุดจากอารมณ์นั้น เพราะฉะนั้นบนบางท่ว่าถ้ามีคนช่วยถามในลักษณะที่เป็นการ explore จะช่วยทำให้เราได้เห็นตัวเราเห็นชัดขึ้นและที่จริงการการที่เราพูดออกมาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ไอ้ปมอะไรบางอย่างที่มันยึจาร์ได้ออกมาด้วยเพราะว่าบางสิ่งมันกดเอไว้แล้วเราก็อาจจะไม่ยอมรับไม่หรือว่ายางปฏิเสธถ้าเราพูดออกมานะโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องกลัวแล้วเราถ้าเราไว้ใจ คนที่เขาถามเรามันก็จะออกมาให้เราได้เห็นได้ไง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นเข้าใจว่าวันนี้ตอน11โมงมีเลี้ยงเทนแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่ามาเพื่อเซสชั่นนี้แล้วมีคำถามช่วยยกมือให้ที่ดูหน่อยค่ะมีอีกไหมคะ ถ้าไม่มีงันเดี๋ยวเราหยุดก็เรื่องโปเรื่องเพจเพราะว่าพักแขนเงียเียยก็ได้นะอัตมาเขาก็เปิดโอกาสให้ได้สนทนาอะไรอย่างนีไม่ต้องห่วง่อาจารย์กว่าอไอ่างเงี้ยอย่างงได้นเมื่อกี้ที่อาจารย์กว่ามีตะาน ช่วยคุยแล้วก็ช่วยเราในการ e x p o r e ตัวเองนะคะแต่ว่าครั้งนี้ยรเชื่อรวยงเพิ่มเนะคะถือว่าเราใช้แค่เห็นตัวเองจากที่ว่าเป็นการที่ว่าเพื่อนพยายามป้อนคำถามให้เรา e x p o r t มากขึ้นแต่ว่าหมายถึงว่าเราจะตัวเองอย่างตลอดสายจากการที่เพื่อนการที่มีคู่คู่คิดมาคุยในนั้นแชทหรือว่าเราต้องไปละเอียดหรือจะใช้อะนั้นเพือเติม คือการคือกระบวนการที่พูดคุยสักถามเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราได้เห็นตัวเองแต่เราไม่จำเป็นต้องไปพยายามที่ไปซักไซสไปพูดคุ ย, คยจริงๆของพวกนี้บมันมันออกมาเอง <c oughs> นี่ยอาจจะออกมาตอนเราฝันด้วยก็ได้ห อ, ออกมาเองตอนที่เราที่เรากําลังมีอะไรมากระตุ้นบางอย่างแล้วมันทําให้เห็นนะคือมันเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่ว่าจบครั้งเดียวนะแต่มันจะมันจะ มันจะมาอยู่เรื่อยๆนะเว้นแต่ว่าเราเป็นคนที่มีสมาธิดีเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันก็จะค่อยๆค่อยๆโผล่ออมาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีก็ต้องรอให้มันโผล่มาเวลามีอะไรมันกระทบหรือ บ, บางทีเวลาเจอคนไข้คนไข้างทีมันก็ตุ้นอะไรบางอย่างให้มันออกมาจากตัวเราพยายามที่จะจับพยายามที่จะระลึกถึงนั้นเอาไว้อย่าไปผักสายมัน แค่รู้เฉยๆแค่ยอมรับมันเพราะบางทีมันออกมาแล้วเราพยายามกดมันเอาไว้นะธรรมชามติคนเราจะรีแอร์แอร์คือถ้าไม่ทําตามมันก็ไปกดมันเอาไว้ในการที่เราจะดูบาที่เฉยๆเพราะที่เป็นอารมณ์ที่มันเป็นลบซึ่งบางครั้งเป็นอารมณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าเราเสียเซลล์บางทีเราจะไม่ยอมรับใช่ไหมคนเราก็มีเซลล์นะคนเรามีความยึดติดในอะไรบางอย่างพอมันออกมาในทางที่เรายอมรับไม่ได้เราก็ไม่จะกดเช่นคนที่จะ น, นับปฏิบัติธรรมเนี่ย ไม่จะกดข่มความโกรธเพราะยอมรับความโกรธไม่ได้ยอมรับความอิจฉาไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดูมันตรงนี้แหละบางทีมันก็พังตัวออกมาเมือนก็ที่แม่ชีคนที่ว่าเนี่ยแกก็ผมมีอารมณ์ทุ่มทนมาตั้งแต่แกก็ปล่อยให้มันออกมาแทนที่แกจะกดมันเอาไว้ซึ่งแกทํานี้มาตั้งมาตั้งมาแต่ไหนแตไรแะแต่พอมันออกมาแกก็ปล่อยให้มันออกมาโดยที่ไม่ปล่อยใจร้อยไปกับอารมณ์นั้นมันก็ทําให้ประการที่หนึ่งคือมันทําให้เห็นตัวเองประการที่สองไอ้ที่มันเจ็บปวดเอาไว้ เป็นพลังที่มหาศาลเนี่ยนขาค่อยปล่อยออกมาจนกระทั่งหมดแหม่มเชิญค่ะหมากุ้ง ม, มีอะไรไหมคะหมมีอะไรนั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่มีใช่ไหมคะงั้นแหม่มแหม่มเชิญค่ะถามตรงหนรู้สึกว่า พู้หญิฟังอาจจะเป็นเรื่องไร้สะนะครับก็คือมันเป็นโลคกลัวว่าคือฟังอะไรน่าจะเป็นแบบน้ำหนะาตาอาจารย์อย่าอกินอาจารย์้เมืออุยเดี๋ยวึันจะต้องมากลัวมืออีกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็ฟังเขาขป่วยอวเนจะเป็นเหมือนทั้หมดเลยแล้วก็เออ เราก็จะครัวพอฟันเขาแบบความที่ฟังเขาเสร็จแล้วเราก็เป็นแบบเขาเดี๋ยวนี้ฟังอะไรก็ครัวไม่าไม่ฟันไม่ฟั ง, ฟงแล้วเมื่อี้ผ้าจานพูดเรื่องมือแบบก็ครัวว่าแบบจะพิดเรื่องมืออะไรอย่าเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็เลยพอผ้าจานบอกว่าเออแค่เห็นมันเฉยเฉยเอ้คําว่าเห็นเฉยเฉยเนี่ยคือเมื่อกี้ก็ลองถามตัวเองว่าก็แคาเห็นความครัวก็เดี๋ยวเล่าเรื่องมือเดี๋ยวเราก็ต้องไปครัวเรื่อมือเฉยเฉยหรอ แล้วแบบเอ๊ะแล้วถ้ามันเหมือนมันจะให้คําตอบกับตัวเองไม่ได้แล้วแบบถ้าไปเผชิญกับมันแล้วมันจะแบบมันจะไปถึงลางกได้ยังไงแบบความคิดจะวนเวียนอยู่ในสมองตรงนี้ก็เลยอยากให้การได้ช่วยแนะนํำเทคนิคว่าไ อ, เ อ, เ อ, เอ้ไอ้อเฉยเฉยไอ้ฝึกเนี้ยมันผิดเฉยเฉยได้แล้วก็เป็นการสร้างร่ อ, องเนี่ย ใน um> ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้สร้างล่องล่อบงบวกเนี่ยเราสร้างได้เึ้นแบบเช้าไปทํางานมันจะขอบคุณเอที่ทํางานที่ว่างอะไรเนี่ยพอเลี้ยวเข้ารถเข้าปรงพยาบาลมันก็เกิดล่องแล้วแต่ไอ้ล่องความกลัวเนี่ยที่มันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเราจะเห็นมันเฉยเฉยไม่ได้อ่ะพระอาจารย์มันจะมีเทคนิคยังไงที่จะแบบจัดการตรงนี้หรือจัดการอย่าอืได้แต่มันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นยุคมากนะคะแต่แบบไอ้เราตกมาลงหรือเปล่าอะไรเนี่ย เดี๋ยวกลัวมือเดี๋ยวกลัวนิ้วเดี๋ยวกลัวนี้เห็นไหมคะคุณซังแบบที่เป็นโรคอะไรป่วยจะโรคอะไรที อ, า, อาการนี้ตามดีเลยครัก็ให้รู้ว่ามีความกลัวว่าจะเป็นอย่างที่เราได้ยินยอมรับความกลัวอย่างนั้นขึ้นมาก็พอแล้วคือก็เพียงแต่ว่าเออเห็นมันโผล่ขึ้นมาก็รู้มันยอมรับมันนะอรงตรงนี้แค่นี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะ แล้วก็ตอนถ้าเราไม่ cents, ถ้าเราถ้าเรายอมรับนะมันเห็นมันเกิดขึ้นมันก็จะเหมือนกับเราน่ำลูกทัวรแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรืในทุกอย่างที่เจอที่เราทเกอย่างที่เจอระหว่างทางก็ผ่านผ่านไปผ่านไปผ่านไปหรือว่าถ้าที่ว่าไอ้แค่ความรู้เฉยๆไม่พอเนี่ยก็ไอ้ต้องมีวัตถุบางคนบางอย่างที่ช่วย ดตัวเชื่อได้ก่อนต้องหาผู้มงคลซึ่งผู้มงคลนั้นต้องมั่นใจว่าไม่ว่าจัรี้ได้ฟังอะไมามันก็จะสะพรักลับหลยนะไปหามาซเพราะว่จะกลัวซ้ำไงแลนั่นไงก็หาผู้มงคลมาที่มันอะไรเข้ามาสะพรั่กลับหมดไม่เข้าตัวพระเจ้าจะแจก มันมีมันมีเรื่องคนที่เมื่อหลายทีเคยได้ยินว่าคนที่คนไปหาจิตแพทย์นะเป็นเป็นคุณลุงเนี่ยนะแกบอกเนี่ยทุกคืนเวลาแกนอนเตียงเนี่ยจะกลัวระเกิอมันจะมีอะไรอยู่หรือใต้เตียงนะเป็นผีบ้างเป็นอะไรบ้างนะจิตแพทย์ก็พยายามที่จะพูดให้เห็นผลพยายามที่จะสาวลุกไปถึงเรื่องของประสบการณ์นในวัยเด็กมันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยนะแกก็ยังกลัวอะไร กลองคืรเวลานอนต้องมาดูว่ามีอะไรอยู่ใต้เตียงหป่าแล้วมันจะก็ไปหาหลนะวงพ่อหลวงพ่อแคแนะนาเสร็จนะแล้วแกก็ทำอย่ที่หลวงพ่อแนะนำแกก็หายกลัวเลยแกก็มีปัญหาที่ต่อไปวันนึงก็ไปเจอหมอหมอถาเป็นไรตอพี่ผมไม่กลัวนะทำไมอ่ะก็หลวงพ่อของแนะนาให้ตัดขาเตียงไงไม่เคยตอบนะไม่มีอะไรอยู่ใ ต, ต้เ<ว>ตียงง่ายดีนะเ่มคิดมาก คือคงอธิบายเป็นยงก็ไม่ได้ผลหรอกภาษบเกมที่เราจบอาจารย์ในการบรรยายเมื่อกี้พอาจารย์พูดเรื่องการ t r a n s f o r ของความกลัวด้านบวกก็คือให้เปลี่ยนมาเป็นความพยายามที่จะจัดการอะไรต่างๆเพื่อป้องกันหรือว่าไม่ประมาทในการดเนินชีวิตการงานนีความกลัวในบรรพ t r a n s f o ไปด้านลบ ว่าได้ไหมตัวอย่างเช่นที่ที่ตุ๊ตกำลังเลาวัาตุ๊คอนเซิร์นเรื่องนี้ก็คือในระบบของการศึกษาแพทย์ทันตแพทย์หรืออะไรต่งางๆเหล่านี้ซึ่งมันจะอยู่ภายใต้ของมาตรฐานอยู่ภายใต้ของระวังนะมันเป็นเรื่องของชีวิตห้ามพลาดด้านนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อำนาจเหนือในระบบเนี่ยจะค่อนข้างสูงเป็นคือไม่ได้เป็นอำนาจสั่งการจะเป็นอำนาจเชิญวิชาการเอ่อว่าเช้านี้แบบ กินข้าวหรือกินย่างมาครูครูคแพทย์จะถามแม่คือตามแพทย์กินข้าวหรือกินยาา่างมาปั้นปั้นถามนักเรียนบ้างป่า <c oughs> <c oughs> คืตอตอบไม่ได้อะคะ่ะเซอว่เซอร์วาจาเฉยเฉยนอะไรแบบนี้ยทีนี้ทานฟอร์มความกลัวที่ตูเห็นเนี่ยมันก็มันจะออกมาในเชิงว่าเดี๋ยวตากรูบ้างบวมคืนหมอพวกนี้เขาจบออกมาเนี่ยเขาก็จะมาใช้อํานาจเหนือนกับ พยาบาลกับคนไข้ถ้ามีลูกสิษยก็สืบทอดกันต่อไปเนี่ยนะคะมันเป็นการทันความดีด้านหนึ่งใช่ไหมคะหรือมันคืออะไรไม่หรอก <c oughs> มันเป็นการมันมันเนความเก็ดกดแล้วต้องการระบายอ ม, ม, ามากกว่าการที่จะระบายก็ต้องหาเป้า <c oughs> หม <c oughs> เป้าดูนคนที่อำนาจ น, น้อยกว่า <c oughs> ใช่ไห ก็เก็บความตะวัเก็บความไม่พอใจเก็บความเจ็บปวดตไว้นนะมีความเจนะ็บปวดอยู่ข้างในถึงเวลาก็ก็ปล่อยออกมาเพราะคิดว่ามันช่วยทําให้เ <c oughs> ยียวยาความเจ็บปวดนั้นได้คือแก้แค้น <c oughs> หรือว่าประบายใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็ก็ก็น่าสนใจเพราะว่ามันถูกถูกฝูกฝังมานะระบบอานาญนิยมน <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิว่าทันยงไงซึ่งอันนี้สมาธิเป็นคนของระบบการศึกษาที่มันที่ที่ไม่ได้นเรื่การพัฒนาจิตใจนะครแต่ในเรื่องการใช้หัวมากพอเราไม่พัฒนาจิตใจในทางหัวเนี่ยไอความรู้สึกในทางลบมันก็เกิดขึ้นไดง่ายนครับนะครับแล้วความรู้สึกทางลบเกิดขึ้นไดง่ายเนี่ยก็เกิดความเครียดเกิดความเกิดการแช้อำนาจเกิดการอะไรหรือถ้าเกิดว่าเราใช้ ทำการการศึกษาทางการแพทย์เนี่ยในการศึกษาในหมายแหแพทย์เนี่ยเราพยายามที่จะเสริมสร้างตรงพัฒนาจิตใจพลังบวกเคร่อความเมตตาตัวนาความเป็นตัณหใจนะหมอก็จะการไปที่ น, าน่ารักแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบการศึเป็นเรื่องการใช้หัวมากแล้วมันก็ลืมปล่อยเรื่องใจพอปล่อยเรื่องใจเนี่ยไอ้อคุศสต่างๆก็เข้ามาง่ายความผิดก็เกิดขึ้นได้ง่ายความจบตัวก็เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็ะบายใสย่ใส่ ใส่เด็กใส่นักศึกษาเอ่ อ, อก็อย่างที่อามารย์เุติธรรมเช้านะคือการเอ่อทุกวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะในในในการสารการแพ้นเนี่ยมันไม่ได้ในเรื่องการที่มาทําความเข้าใจเรื่องการรู้ท่าทันตัวเองคนเหล่านี้ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้รู้สึกอะไรนะไม่สามารถจะ คือแล้วก็เกิดความแปลกแยกกับตัวเองแปลกแยกกับใจองตัวเแปลแยกกับกางตัวเองเพราะว่าไปใช้หัวมากไปใช้ความคิดมากไปนั้นถ้าเกิว่าพัฒนาให้เพียงแค่เข้าสังเกตจิตใจของตัวเองให้ก็ยอมรับความรู้สึกเรื่องอารมณ์ของขึ้นมาได้เนี่ยก็จะมีความละเอียดอ่อที่จะมีเอ็นพาชีมากแล้วก็จะมีสิ่งพาทีต่อคนไข้ได้ง่ายขึ้นจิตใจก็จะวไยต่อความเจ็บปวดของผู้คนได้ง่ายขึ้นตอนนี้เนี่ยอาจารย์แพทผมในด้านชาเรื่องความเจ็บปวดของ รู้สึกไปแล้วเพราะว่าตัวเนี่ยตัวเองก็ชาไปแล้วอย่างนี้เนี่ยทำให้คนเจ็บปวดเนี่ตัวเองก็ไม่รู้สึกว่ามันมันแย่อย่างนี้นแก่ะแกอยากจะเลิก 11-15 อ็่สิบห้าใช่ไหมคะได้เนี่ค่ะคะคืออยากจะแชร์เรื่องประสบการณ์ความกลัวแล้วมันถ่านทอดออกมาเนด้านลบค่ะอย่างคือจำได้ว่าตอนใช้คุณเนี่ยเข้าโออาร์ทรเนี่ย หนูไม่รู้สึกตัวเลยว่าตอนนั้นหนูทำอะไรลงไปแต่ว่าพยาบาลอาบอกว่าหมอเคยโยนยิด้ว ย, น, ย, น, ยนี่ฉันโยนยิดตอนไหนแล้วพยาบาลทุกคนที่อยู่ในรอประชารจะรู้สึก ว, ว่ากลัวซึ่งทุกคนที่มาเห็นจะรู้สึกว่าหม อ, อว่าดูใจดีดูอารมณ์ดีซึ่งตอนนั้นหนููไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมถึงเข้าโออาร์ทรีแล้วก็มีอารมณ์แบบนั้นทีแต่พอมาเริ่ ม, เ ร, ม เ, เริ่มจาระบีเนี่ยค่ะเริ่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยหนูกลัวคนไข้ที่จะไม่ปลอดภัย แล้วอะไรที่มันขัดหรือว่ามันไม่เป็นอย่างที่ใจคิดเนี่ยมันก็เลยทานสมองมาไกลถึงว่าโยนคือ ค, อคอจะไม่ได้ไม่ได้วุ่นแรงว่าด่า อ, อะไรแต่ว่าจะจะมีปึงปังหรือโยอนอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นหรือว่าบางทีนเงียทุกคนบรรยากาศ ก, าก็จะแบบรู้สึกตึงแล้วก็ตอนนั้นเราก็ไม่รู้แต่เราก็รู้สึกว่าเราเราไม่ค่อยมีความสุขในการที่จะเป็นหมองขาัอะคะ่ะอันนั้นน่าจะเป็นตัวอย่างทางนสมองในในด้านที่ไม่ค่อยดี อนนี้ก็ทําให้ตำนานเรืง่งประเด็นที่พูดข้ามที่ไม่ได้พูดนะที่จริงตั้งใจจะมาพูดคือว่าการจัดการความกลัวเนี่ยส่วนก็คือการไปรู้เท่าทันความคิดของตัวตพอาความกลัวส่วนหนึ่เนี่ยส่วนทั้งความที่ตกกักงวลท้อโอนกวากวเยเกิดขึ้นจากการที่ใจเราไมอยู่กับปัจจุบันนะลองสังเกตุความกังวลความความกลัวเนี่ยนะมันมักจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือยังไม่ปรากฏ ก็เช่นกลัวผีอะผีมาไมั้งยังไม่มาแต่กลัวไปแล้วเพราะมโนใช่ไหมกลัวล้มเหลวกลัวคนไข้เมียเป็นไปเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเรามองไปข้างหน้าเราคิดแต่ข้างหน้าใช่ไหมหงุนหงดเวลารถติดโจรกลกวัวเวลารถติดพรอแไรเพรนึกไปข้างหน้าแล้วว่าเกิดสมมุติว่าไปสายผิดนัดกลัวผิดนัดกลัวไปสายกลัวสมุ่ลูกไปทากดัวตกเครื่องบนพรุ่งนี้ ให้ความกลัวนี่เกิดจากการที่คิดไปลุ้มหน้าคัดคิดท่ามช็อตใช่ไหมเราจะสอบเนี่ยกลัวกลัวอะไรกลัวสอบไม่ดียังไม่ทันจะยังไม่ทันจะลงยังไม่ทันจะเขียนก็สอบเลยไปแล้วกลัวแล้คิดไปข้างหน้าแล้วเพราะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะช่วยบรรเทาความวกลัวก็คือกลับมาอยู่ปัจจุบันนะอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นก็อย่าไปกังอย่าไปคิดถึงมันเขาคิดแล้วมันกังวลความเนะศร้าเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมักจะคิดถึงสิ่งที่เป็นอดี ความกังวลความกลัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ถึงสิ่งที่ยัมาไม่ถึงแต่ใจเราไปจดจ่อข้างหน้าแล้วนี่สมาธิว่าวิธีหนึ่งที่ช่วยละเมือความกลัวคือว่าจดจ่ออยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันขนะด้วยใจเต็มร้อยไอ้ความกลัวจะพราลงแลเพราะความกลัวเกิดจากความคิดและความคิดที่ทําให้กลัวก็เป็นความคิดเกี่ยวกับงาตที่ยังมาไม่ถึงเช่นผล ที่จะเกิดขึ้นตามมานะนนี้คือปัญหาของความติดพลาดนะในทุกเรื่องรวมทั้งวงการกีฬาเราก็สังเกตนะหนักกีฬาในาผู้บอลระดับโลกไมาจะเป็นโรกดีเมซี่ก็ดีหรือว่าเบนแคนอะพวกนี้มันจะมีหลายคนนะหลายครั้งเวลาเตะลูกโทษเนี่ยหน้าเส า, ห น, าหน้าประตูเนี่ย คือการแข่งขันน่าสำคัญเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาว่ากัรที่ลูกโทษด้วยคนละห้าประตูใช่ไหมหรือบางทีก็เป็นลูกโทษที่เกิดขึ้นจากความโชคดีของของทีก็น่าสำคัญเนี่ยเราจะพบว่านักกีฬาหลายคนที่เก่งนะครับลูกเนี่ยแต่รูปไม่เข้าด่างที่ทับแต่ตะบาเนี่ยไม่ต้องใช้ความสามารถมากแต่ก็เข้าจริงๆการแต่ลูกโทษเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคนิคนะ มันเป็นเรื่องของใจล้นมันเรื่องของใจในแปดสิบเกสิบปอร์ซ็นตเลย <m> แล้วนี่เขาวิจัยกันนะเก้าสิบเขาวิจัยว่าทีมที่เตะลูกไม่เข้าเนี่ยเขาเขาาดูเป็นทีมนะทีมแตะลูกไม่เข้าเนี่ยเช่นอังกฤษเ <c oughs> ช่นฮอรแลนด์ไอพวกนี้เนี่ยเตะลูกสํากษ์สัมปันธไม่เข้าเพื่ให้ห้าประตูเนี่ยนะโปรตุเกสพวกนี้เนี่ยรุนแรงแต่เกิดเพราะมีประสบการณ์ในเดีกที่เตะไม่เข้ามาก่อน โอกาสที่นักเตะในทีมนั้นจะเตะไม่เข้าดีสูงนะคือพวกนี้เนี่ยมันประมาทเพราะมันเกิดเตะไม่เข้ามาเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นสถิติมาแล้วอีกเหตุผลนึ่งคือว่าเตะไม่เข้าเพราะกลัวว่าถ้าไม่เข้าจะถูก ด, ด่ากลัวแฟนจะโผ่ก็คือคนนึงคิดถึงอดีตก็เตะไม่เข้าเพราะมันเห็นแต่ความผิดพลาดอีกคนหนึ่งกลัวอนาคตว่าถ้าเตะไม่เข้าผูสวยและ พอคิดแบบนี้ก็เลยเห็นไม่เข้าพเรเปล่งเพรประมาะมันไม่เกี่ยวกับฝีมือนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะใครที่จะใจยังนิ่งเหกันจัดใจที่นิ่งคือใจที่อยู่กับปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาว่าถ้าเราจะวิธีเช็ดจาั ก, การความกลัวอยนีย้คือว่าพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็วางวาง ผลวางความสำเร็จวางอะไรที่จะเกิดขึ้นเอาไว้ลืมเลยไปซะก่อนนะถามว่าทำได้ง่ายไ็มไม่ง่ายหรอกเพราะเป็นนิสัยของเราไปแล้วแต่เราฝึกได้ด้วยการใช้สตินะใจแบบไหนขายบ้านได้หลายหลยัตงตกลงคืนนี้พระอาจารย์มีกิจกรรมพิศเศษมากใว่าอาจารย์ค่อยมีแรงเวลาคืน <laughs> โอเคครับแค่นี้ใช่ไหม <C> อ่า <C> มีกิจกรรมหนึ่งนะที่ช่วยเรื่องการละงัความกลัวมากนะเรียกว่าเรียกว่าเทวดาตกสวรรค์ แต่ระมาไม่คมีทีมเล่นเทา่าไหร่ครับผมช่วยได้มากเลยนะเจอราตกสวรรคนีงทำเนาล่วงให้คนไปยืนยบ น, บนตุ้ันต๊แล้วก็ทิ้งตัวลงมาแล้วให้คนรัดโอยช่วยลดความตัวคนได้มากเลยนะโว้มันได้แต่ว่ามันก็ดีทีนแล้วก็ไม่มีวิธีทำไม่ได้ เวลาตกสว่างนี่ช่วยได้มากเลยไม่ต้องไปคืนหรอกเอากลางวันไี่ไงหั น, นที่นี่เลยสนใจเหรอ่ะก็ตกสว่าง กี ค, คนคะหกคนสองแถวสามคนสองแถวแล้วใช่ดีคนเป็นบอกคนมีบอกแล้วก็งายหลังลงมาเลยปล่อยตัวเลย ตอนเรียนตอนเรียนฮะรู้สึกไหมไม่แห่บอกว่าถ้ามีคนร่วงคนเราก็ไม่กลัวนะแต่มันมันจะมันจะฟิลความรู้สึกตอนที่กำลังจะหายอย่างรุนแรงตอนทิ้งอ่ะตอนตัดสินใจทิ้งไว้เนี่ยหลังหลังจะรักเราได้แน่ค่ะแปลว่าสามคน6คนใช่ไหมล่ะถอยรับถอยรับภาษาต้องภาษามีภาษามีเชื่อมั้ย ทำกันทำกันตั้ทำกั บ, ทำ ก, บทำกับทีแบบนี้เนี่ยเอาแต่ทำกับตอ่อชะดอาไม่เอาไม่ไว้ใจกันไม่รู้เหมือนกันเขากลัวผู้ชายเนี่ยป่อแถ็งมากเลยตอ่อชะดอนโหไม่กล้าเล่นไม่กล้าเล่ น, น, นลต้องแก้ตแก้กันหรือเปล่าไม่ไว้ใจกันเลยเดี๋ยวยาอะไต้องทับต้องมีบอกต้องมีบอก นะสำหรับปาจันนะสำนัเดี้อยขอให้คนตักอาหารฉะนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราออกไปตักอาหารนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้เป็นการทานามเนียวนะคะก็ขั้น ส, สอนที่เราจะได้การกระความธรมเนียวก็อ